ยิชันโตอาสวะขายังยิทังดามังอนุปาโตยิทิมันตังนามามิหังตินโนโยวัดดุคำหาตินังโลกานมุตมโมติโสภูมิงอติกตันโต ทินาโอังนามามิหังปิโยเดวามนุสสานังปิโยพระมานมุตตโมปิโยนาคาสุปันนานังปินตริยหังนามามิหังโสกาวิรัตจิตโตโย โสภะมโนสะเดวเกสกปเตป ะ, ตปะมนเทนโตโสบวันหังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพยุตยานทรงปรารถนาธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีกา ม, มาสวะเป็นต้น ก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากทุกภัยในสังสารวัฏแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลกทรงล่วงไตรภูมิเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ข้ามโอคะได้แล้วพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานมีนาคและคุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคผู้มีอินทรีย์สงบพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกแล้วเป็นผู้งดงามในโลกนี้กับทั้งเทวโลกทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายโศกกลับมาบันเทิงอยู่ในกุศลข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระสัตธรรมทั้งหลายอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายแล้ว ผู้มีผ้าไทยคงที่ทรงจำแนกแจกแกงแล้วพระ อ, องค์ใดทรงยังสตัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวกลับมาล่าเริงในสิกขาสามข้าพเจ้าข อ, อนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นั้นผู้สงบระงับได้แล้วด้วยเสียงกล้าวขออนุมโมทนากับทางยุวพุทธในซึ่งมี โยมไพรินตลอดถึงคณะกรรมาการแล้วก็คณะผู้จัดงานในเยาวพุทธแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติใฝ่ใจในการที่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาทั้งชายและหญิงที่เรียกกันเป็นโยคีนี่แหละคือผู้ประพฤติปฏิบัติ ก็ขอมัวนากบเราทั้งหลายที่ได้ตั้งใจกันมาอย่างดีคิดกันมานานในการที่จะทำปุปพพะเจตนาคือความตั้งใจก่อนหน้านั้นคือเจตจานงคือความคิดความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่ปรารถนาจะมาเจริญเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาเออเราท่านทั้งหลาย ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายได้อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์สิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสมาพบเจอพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบาเพ็ญพระบารมีคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมี ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและเบคาบารมีพระบรมศาสดานั้นทรงบำเพ็ญบารมี10บอุปบารมีสิบและปรมัตถบารมีสิบโดยเฉพาะพระองค์นี้ทรงบำเพ็ญมาด้วย20่ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปนับพบนับชาติไม่ท่วนฉะนั้นพระบารมีธรรมทั้งหลายที่พระบรมศาสดาได้ทรงสั่งสมมาสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ นับพบนับชาติไม่ถ้วนจารึกไว้ในพระไตรปิฎก550ชาติอันนั้นเป็นการจารึกไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อบอกข้อมูลในพระจริยาคุณว่าพระองค์ทรงทําอะไรมาพระสงฆ์พระองค์ทรงบาเพ็ญพระทานบา ร, รมีม า, มามากมายกว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมพุธิญานศีลบา ร, รมีก็มากมายเนคขมะปัญญาวิริยาเป็นต้นจนถึงเบขาบา ร, รมีมาอย่าง มากมายหาประมาณมีได้พระบรมศาสดาทรงผูกบารมีไว้ในตนและในขณะเดียวกันก็ผูกประชาสัตว์กวคือเราที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยไว้ในตนด้วยพระบรมศาสดาทรงตั้งอัธยาศัยตอนเป็นพระโพธิสัตว์ว่าเราตัดสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตัดสรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเรา พ้นจากวัตตะหรือแทงตลอดสัจจะสีได้แล้วจะให้สัตว์อื่นแทงตลอดสัจจาสีตามเราด้วยเราหายใจคล่องแล้วจะให้สัตว์อื่นหายใจคล่องด้วยนั่นคือะอาธยาใสซึ่งมีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณผ้ามหากรุณาที่คุณที่ทรงสั่งสมไว้อย่างยาวไกลในสังสารวัตรและมาวันนี้พระบรมศ า, ศาสดาก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพทฺาณแล้ว พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานั้นก็กว้างใหญ่ไพศาลเป็นประโยชน์แก่มนุษย์เทวดาและพรหมเป็นอันมากเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเข้ามารับการฝึกขัดอบรมในครั้งนี้ก็ต้องตั้งอัธยาศัยให้มั่นคงหนึ่งก็คือว่าตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้ แม้เพราะเหตุแห่งทานบา ร, รมีอย่างนี้แหละที่บำเพ็ญมา20สประสงค์ไขยิ่งด้วยแสนหมากับจึงเป็นปัจจัยต่อการได้มาซึ่งสัมมาสัมโพุธิญาณแม้เพราะเหตุแห่งศีลบา ร, รมีนี่แหละที่เป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมพุธิญานแม้เพราะเหตุแห่งเนคข ม, มาบรบารมีปัญญาบา ร, รมีวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและอุเบกขาบา ร, รมีที่บำเพ็ญมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏ ที่สุดจริงๆก็สามารถทําสัพพยุตยานคือการได้มาซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาจนได้สัพพยุตยานหรือการอุบัติเกิดขึ้นมาของสัมมาสัมโพธิยานนั้นเป็นประโยชน์แก่ประชาสัตว์คือมนุษย์เทวดาพรหมเป็นอันมากฉะนั้นแม้เพราะเหตุเหล่านี้นี่แหละพระุทธเจ้าได้บําเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างยาวไกลเราท่านทั้งหลายเมื่อระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ ไม่ใช่แค่ระลึกอย่างเดียวแต่ต้องรู้ข้อมูลด้วยถ้าไม่รู้ข้อมูลเราก็จะไม่ทราบว่าพระาศาสดาของเราทำอะไรมาถ้าเราไม่ศรัทธาที่พระบรมศาสาศดาการเจริญกรรมฐานเป็นต้นมันก็ไปไม่ได้ในที่สุดจริงๆมันก็ติดขัดแล้วมันก็จะหกล้มแล้วที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถเกื้อหนุนต่อกระแสชีวิตนาพากระแสจิตตนเองนั้นเข้าสู่มรรคายพาระรยเจ้าเป็นต้นได้เลย ฉะนั้นจะต้องรู้พระจริยาคุณที่ทรงบำเพ็ญมาว่าพระองค์บำเพ็ญทานบารมีอย่างไรบำเพ็ญภาษีและบารมีเนี่ยข ม, ม้ปัญญาเป็นต้นอย่างไรจิตใจนั้นจะต้องมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอรหันต์ได้มาเพราะเหตุอะไรทําไมพระรัชจริงได้เป็นพระอรหันต์ไม้เพราะเหตุแห่งบารมีสิบนะแม้เพราะเห ต, แหนะแเเหตุแห่งอุปบา ร, รมีสิบนะ แม้เพราะเหตุแห่งปรมัาทบา ร, รมีสิบที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในสังสารวัฏยี่สงคขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปนะจึงได้มาซึ่งความเป็นพระรหันทำลายกิเลสให้หมดสิ้นจากกบมราสันดานตัดกิเลสได้ด้วยพร้อมทั้งวาสนาคือความเคยชินได้อย่างหมดจดด้วยนี่เพราะเหตุแห่งพระบารมีเหล่านี้ที่บำเพ็ญมานี่แหละแม้เพราะเหตุแห่งบารมี30ทัศน์ที่บำเพ็ญมา20อาสงคขายยิ่งด้วยแสนมหากรัปนี่แหละ พระ อ, องค์จึงได้เป็นสัมมาสัมพุทธะคือได้ตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองไม่มีอาจารย์พระพุทธเจ้าปฏิญญาณกับอุปการชีวกว่าดูก่อนอุปการเราไม่มีอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีเราตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเองอย่างนี้แล้วแล้วตัดสรู้ทำที่เป็นไปในภูมิสี่นะในการมาภูมิในรูปภูมิและในรูปภูมิตลอดถึงในโล ก, กุตละภูมิทำที่เป็นไปในภูมิสี่ในคร่องแคล่วในกระแส อัตภาพของอัตมาอย่างนี้แล้วของของพัฒถาคตอย่างนี้แล้วจะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอันนี้ก็วงบอกว่าพระบรมศาสดาไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะทรงบำเพ็ญบารมีมาด้วยอย่างตนเองอย่างยิ่งยวดที่สุดจริงๆก็ได้ตดรัสรู้นุตตะสัมมาสัมพริญาณได้เป็นพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงคือสัมมาสัมพุท ธ, ธะแทงตลอดอริยสั จ, จได้ด้วยตนเองไม่มีอาจารย์ พระบรมศาสดานั้นเป็นผู้มีวิชา8มีเจรณะ15มีวิชา8มีเจรณะ15นี่แหลคือความสมบูรณ์ของความเป็นพระพุทธเจ้าการที่พระบรมศาสดาได้มีวิชา8ได้มีเจรณะ15นั้นก็เพราะพระองค์บำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมี10บและปรมาธบารมี10มาได้2ยประสงบวสุขายยิ่งด้วยแสนมหากัปจึงสามารถทำวิชา8ปประการมีอิทธิวิธีคือการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้น จนถึงอาสวะคยายานคือการทำกิเลสให้หมดสิ้นจา ก, กมวลลสันดาลให้เกิดขึ้นได้มีวิชา8และมีจารณะ15มีตัวข้อประพฤติปฏิบัติในด้านของศีลมีปฏิโมกสังวรลศีลมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคะเป็นต้นตลอดถึงได้รูปฌานสี่อรูปฌานสีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนจารนะคือเป็นข้อปฏิบัติ การที่พระบรมศาสดามีทั้งจริวิชา8มีทั้งจารนะ15าเนี่ยก็มาได้ด้วยบา ร, รมี30ทัศที่บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เราก็ต้องเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรคตนี้ด้วยพระบรมศาสดานั้นทรงเป็นโล ก, กวิทูพุทธเจ้าเนี่ยรู้โลกสมการประรมูปภู ม, ภมิและรูปภูมิ รู้ภูมิธรรมทั้งสคือโลกุตตะลาภูมิเป็นต้นด้วยฉะนั้นพย า, ขพศ า, ศ า, านของพระบรมศาสดานี้แทงตลอดโลกธาตุทั้งสิ้นโลกธาตุมีจํานวนเท่าไหร่สรพพยตยานของพระบรมศาสดาหรือพยานของพระพุทธเจ้าก็มีจํานวนเท่านั้นขันธาตุอายต น, สจจ ะ, น ะ, ตจจะสัจญาอินทรีย์ปฏิจจารสมาบาทมีเท่าไหร่พรยานของพระาศาสดาก็มีเท่านั้นแหละกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีส า, ากลจักรวาลมีเท่าไหร่ พยานของพระบรมศาสดาก็ทรงมีเท่านั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นรู้โลกสรู้ทั้งสังขารลโลกโลกคือสังขารรู้ทั้งสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์รู้ทั้งโอกาสโลกโลกคือจักรวาลทั้งสิ้นคือแสนโกจักรวาลพยานของพระบรมศาสดากว้างใหญ่ไพศาลที่ได้สถานภาพอย่างนี้ก็ได้มาด้วยอำนาจของแม้พ่เหตุแห่งบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบและประมัตถบารมีสิบ บรรมี3ามทัศเหล่านี้นี่แหละเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการให้ได้มาซึ่งโลกวิถูพยานที่ยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายถูกพยานของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรวจสอบแล้วตรวจสอบเล่านะตรวจสอบว่ามีอินทรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอ่ อ, อนปานกลางหรือแก่ก้า ตรวจสอบอัธยาศัยเราว่าเหมาะสมแก่การที่จะเดินทางในกุศลอย่างไรศีลกุศลอย่างไรและภาวนากุศลอย่างไรนะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงเชื่อมั่นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นบุญยราภาอันประเสริฐแล้วที่เราได้อุบัติเกิดขึ้นมาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทของพุทโธของผู้รู้ เป็นบริษัทของสัมมาสัมพุทธะบุคคลบุคคลที่แทงตลอดสัจจะสี่ได้ด้วยตนเองและพระองค์ก็จะได้มาเปิดเผยสัจจะสีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยบอกให้ง่ายให้ตื้นของที่ลึกละเอียดก็เอามาบอกให้ง่ายให้เหมาะแก่อัธยาศัยของเราสัตว์ทั้งหลายที่สามารถประพฤติปฏิบัติและแทงตลอดสัจจะตามพทธเจ้าได้เป็นต้น ฉะนั้นตรงนี้เราต้องเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าต้องเปิดใจขึ้นมาเมื่อเปิดใจขึ้นมาแล้วเนี่ยนะยกระดับจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยศรัทธาไปที่พระถรรคตรเจ้าปล่อยศรัทธาไปที่พระธรรมของพระบรมศาสดาปล่อยศรัทธาไปในพระอริยสงฆ์คือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงยังความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหว ให้มีความรักอย่างแรงกล้าในพระพุทธเจ้ามีความรักอย่างแรงกล้าในพระธรรมมีความรักอย่างแรงกล้าและก็ไม่หวั่นไหวในคุณของพระริยสง์เป็นต้นเมื่อท่านทั้งหลายมีความรักอย่างแรงกล้ามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพระรัตนตรัยท่านทั้งหลายจะได้ตั้งมั่นในกุศลศีลถ้าไม่มีความรักความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพระรัตนตรัยแล้ว เราจะตั้งมั่นหรือจะเชื่อมั่นในสิกขาข้อแรกคือศีแลสิกขาที่พระบรมศาสดาทรงบอกทรงกล่าวนั้นไม่ได้เลยทีนี้ถ้าศีลสิกขาที่เรามาสมาทานกันเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราไม่มีความรักในพระรัตนตรยัยไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสรู้สัจจะสีพระองค์ทํากุศลศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทํากุศลศีลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูุ์ในกระแสขันเขงพระองค์ จนกุศลศีลจากชั้นของกาลมาวจรเป็นรูปาวจรจากรูปาวจรเป็นอรูปาวจรจากอรูปาวจรนั้นเป็นโลกุตรศีลได้และพระองค์ทําสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรณ์มากขึ้นทําจากสมาธิในชั้นของกาลมาวจรสมาธิยกระดับขึ้นเป็นรูปาวจรสมาธิเป็นอรูปาวจรสมาธิและเป็นโลกุตระสมาธิเห็นไหมทาให้พัฒนาทําให้เจริญขึ้น จนถึงโลกุตระสมาธิที่เป็นปัจจัยเคื่อหนุนต่อการที่แทงตลอดได้ด้วยและพระองค์ทำปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูนงอกงามในกระแสะชีวิตของพระองค์ก็คือทำปัญญาระดับการมาวาจรให้เป็นปัญญาในชั้นของรูปาวาจรอรูปาวาจรและพัฒนาไปสู่ปัญญาในระดับโลกุตละปัญญาสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญาในระดับต่านี่แหละ พระ อ, องค์ก็พยายามเกื้อนหนุนบ่มเพาะอบรมเจริญกระทำให้มากที่สุดจริงๆก็พัฒนาขึ้นสู่ศีลสมาธิปัญญาไปไประชุมในโลกุตระศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นต้นได้แล้วก็สามารถแทงตลอดสัจจะทั้งสี่กวคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคและก็บรุอนุปตาปาทาปรินิพานตอนนี้กระแสะขันกระแสะชีวิตของพระบรมศาสดานั้นน่ปรินิพานแล้ว เมื่อสักครู่เรามากก่าในการที่มอบตนนมอบตนกับพระรัตนตรยัยมอบตนกับพระเจ้าบอกว่าข้าพระเจ้าขอมอบอัตภาพร่างกายนี้แด่พระเจ้าคำว่าอัตตะพาวังศัพท์นั้นน่ไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียวนะอัตตะพาวังนั้นก็คือมอบทั้งกายและใจถวายแด่พระเจ้า สรุปว่าตอนนี้กายของเราก็เป็นของพระพุทธเจ้าแล้วเนอะและใจของเราท่านทั้งหลายก็เป็นของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเรายกถวายด้วยกำลังของศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเราก็เลยยกอัตภาพกาวคือร่างกายและจิตใจเ็าเรียกอัตตะอัตภาพอัตภาพก็คือว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขัน สังขารขันวิญญาณขันเห็นไหมขันหเอาย่อลงมาเหลือสองกายและกระจยย่อสองก็คือรูปกับนามนี่แหละเอาละท่านทั้งหลายทุกท่านเลยนะเนี่ยที่มาสังเกตดูเมื่อสักครู่เนี่ยเราเปล่งวาจาถวายอัตภาพเนี่ยแด่พระเจ้าต้องทำจริงๆนะไม่ใช่ว่าพอเปล่งไปแล้วในใจเราก็บอกว่าเออเราให้แค่ครึ่งเดียว อย่างนี้ไม่ได้ก็คือถวายทั้งหมดหมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมมอบกายถวายชีวิตแด่พระสงฆ์ใช่หมเอาละถ้าเราเข้าใจบริบทคำพูดหรือพยัญชนะตัวนี้สืบเข้าหาอัตถะและเนื้อความนั้นให้ชัดว่าเราตั้งใจจริงนะ 1เรามีความรักในพระพุทธเจ้าจริงๆมีความรักอย่างมั่นคงไม่ใช่รักแบบเล่นเล่นถ้าเรารักอย่างมั่นคงรักแบบหมดกายหมดใจเราจรึงจะกล้ามอบใจให้ได้เต็มที่ถ้าเรารักแบบครึ่งค่งกลางๆเนี่ยแปลว่ารักไม่จริงถ้าเรารักไม่จริงเนี่ยเราไม่กล้า ม, มอบกายและมอบใจถวายให้นะฉะนั้นเราต้องรักเราต้องถามใจเราเองก่อนว่าเรารักพระพุทธเจ้าจริงไหม เ, ออเราอว่าเรารักตัวเองนะไม่ใช่ไม่รักนะเรารักตัวเองมากแต่เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคติเป็นเครื่องนำพาชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเราเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อมั่นสัพพัญญุตญาณเชื่อมั่นสัมมาสัมพุทโธ เชื่อมั่นวิชาจารณะสัมปันโนเชื่อมั่นสุขโตนะว่าพระบรมศาสาศดาเสด็จมาดีแล้วเสด็จไปงามเสด็จไปในอริยมรรคมีองค์แปเสด็จไปสู่พระนิพพานเราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นวิชา8จารณะสิคือพระเจ้าเราเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นศัตถาเดวมนุษสารนังพระเจ้าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์เราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นพระบรมศาสาศดาเนี่ย เป็นผู้แทงตลอดสัจสะ จ, นนาาจนะสีเราเชื่อมั่นพระเจ้านี่ได้น้ำได้พระนามอภควาเป็นผู้จำแนกแจกแจงรัตนะเราเชื่อมั่นเรามีความรักอย่างมั่นคงมีความเชื่อมั่นอย่างไม่หวั่นไหวเราเลยมามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะกล้ามอบกายและมอบใจทีนี้พอมอบกายและมอบใจอย่างแท้จริงแล้ว เด็นต่อมาก็คือว่าถ้าพระบรมศ า, ศาสดาบอกอะไรเราจะเชื่อมั่นพรธเจ้าบอกว่าให้เราเจริญศีลอย่างนี้เราก็จะเจริญแล้วเราจะไม่มีอาการบิดเพิ้ยหรือมีอาการที่โลเลนี่อยู่ในจิตใจเพราะเราเชื่อแล้วว่าท่านพวกนี้จะนําพากระแสะชีวิตของเราเนี่ยเป็นคติก็้าไปว่าเป็นที่ไป เป็นเครื่องนำกระแสชีวิตของเราไปสู่หนทางที่ดีเลิศที่ประเสริจริงเมื่อเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มอบดวงใจให้เราก็เลยเด็ดดวงใจก็ยื่นอุทิศถวายให้สรุปก็คือว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าตลอดการและตลอดไปให้สังเกตไหมว่า ตอนที่พระบระมาศ า, าสดาไปเทศนาอนุปุพิกถาหและจบลงได้อริยสัสโปรดพระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวาร12นหุกก็คือ1 0ึ่0 0กับสอง0 0 0ท่านที่รัติวันสวนตาลหนุ่มที่แฟนมคตเมื่อพระบระมาศ า, าสดาเทศนาอนุปุพิกถาแสดงเรื่องทานแสดงเรื่องศีล แสดงเรื่องผลของทานของศีลก็คือสวรรค์คือสุคติแล้วก็แสดงการมาทีนวะโทษของการเกิดในสังสารวัฏแล้วก็แสดงเรื่องเนคขมมะก็คือการออกบวชก็คือปฐมฌานก็คือวิปัสสนาญาณก็คือนิพนิพานและก็กลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายคือสภาพจิตที่ไม่มีโทษจิตที่ไม่มีโรค จิตที่เป็นไปกับความสุขจิตที่เป็นไปกับยานปัญญาเมื่อคุณภาพจิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นคุณภาพจิตที่เป็นไปกับกุศลลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเนคขมมะเห็นไหมเนคขมมะโดยตัวเนื้อแท้จริงๆนะ่ยท่านขับเน้นตัวกุศลเห็นไหมนะสับหยับหยาบเนี่ยท่านใช้คําออกบวชอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาถือชุดขาวอย่างนี้เขาเรียกว่าบำเพ็ญเนคขมมะด้วย เป็นโยคยีเป็นโยคาวาจรเป็นผู้ประกอบความเพียรด้วยเพ่อจะทำลายกิเลสมีราคาโทสะโมหะให้ให้หมดสิ้นจากกระแสชีวิตด้วยแต่ถามว่าได้เนคขมะตัวเนื้อแท้หรือยังต้องบอกว่ายัางถ้าต้องการได้เนคขมะอย่างเนื้อแท้จริงๆก็คือได้คุณภาพของกุศลที่เกิดขึ้นจริงๆเมื่อกุศลเนี่ยคือคุณภาพของจิตที่ไม่มีโทษ คุณภาพจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผองแผ้วสะอาดน้จิตที่ไม่มีของเสียไม่มีสิ่งมัวหมองอยู่ในจิตใจนี่เรียกอนวะช้าจิตที่ไม่มีโทษและได้คุณภาพจิตที่ไม่มีโรคก็คือถ้าจิตมีโรคแปลว่าจิตป่วยอ่อนแองอยเหงาเศร้าซึมเศร้าโศกนี่แปลว่าจิตมีโรค คือราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดถ้าจิตที่ไม่มีโรคที่เป็นกุศลที่เป็นเนยรรมะ ก, ก็คือจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่สะอาดด้วยและคล่องแคล่วว่องไวด้วยคิดกุศลได้สะดวกลักษณะอย่างนี้ก็คือจิตที่มีกําลังมีกําลังของศรัทธามุ่งมั่นเชื่อมั่นมีกําลังของความเพียรบุก บรรก้าวไปใจสู้ด้วยมีกําลังของสติคือการระลึกได้อย่างมั่นคงไม่เลอะเลือนด้วยมีกําลังของสมาธิก็คือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกําจัดความฟุ้งซ่านได้ด้วยมีกําลังของปัญญาคือความฉลาดแคล่วคล่องและว่องไวด้วยนี่คือจิตไม่ป่วยจิตไม่อ่อนแอจิตไม่สุดโทมจิตที่คล่องแคล่วและจิตที่เป็นกุศลที่เป็นเนคขมานั้นจิตนั้นจะต้องมีความสุข คุณภาพจิตนั้นจะต้องเป็นไปกับปลาโมดอิ่มใจเล็กน้อยปีติเกิดความเบิกบานผ่องแผ้วขึ้นอย่างแรงกล้าและในขณะเดียวกันก็มีความสงบเยือกเย็นแล้วก็เป็นการกับสุขและสมานัสมันถึงจะเป็นสมาธิและตั้งมั่นตามมานี่คือจิตที่เป็นไปกับความสุขเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นตามมาแล้วเนี่ยแกนหลักของเนคขมาจริงๆคือปัญญาคือธรรมชาติที่ฉลาด รอบรู้ตามความเป็นจริงฉลาดในการที่จะให้เหตุปัจจัยที่จะทำให้สภาพหรือคุณภาพของกุศลนั้นเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องฉลาดในการที่จะขจัดของเสียออกฉลาดในการที่จะปิดไม่ให้บาปนั้นเข้ามาสู่จิตเป็นต้นเหล่านี้ด้วยเนี่คือคุณภาพของกุศลผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องได้คุณภาพจิตแบบนี้ถ้าไม่ได้คุณภาพจิตเหล่านี้แปลว่าอาการแย่เนะ ยิ่งมาปฏิบัติก็ไม่ได้เนคขมะาที่เป็นตัวเนื้อแท้อย่างแท้จริงเอาและตอนนี้ก็คือว่านี่แหละพระบรมศ า, ศาสดานั้นก็ทรงปรารถนาให้เราท่านทั้งหลายได้กลุ่มเนคขม้ที่เป็นกุศลจริงๆเห็นไหมว่าเมื่อท่านเหล่านั้นฟังพระธรรมที่พระบรมศาสดานเนี่ยแสดงอย่างนี้แล้วพระบรมศาสดารู้ว่าจิตท่านเหล่านี้อ่อนควรต่อการงานแล้วพระาศาสดาก็แสดงความจริงของชีวิต เอาแล้วการที่จะใช้ยานปัญญาเขาไปแทงตลอดความจริงของชีวิตได้ปัญญานั้นจะต้องมีฐานมีที่มั่นก็คือจิตนั้นจะต้องมีพลังก็คือจะต้องเป็นสมาธิเขาเรียกสมัมมนานแะตจิตจิตที่พร้อมใยองค์8ก็คือมีความตั้งมั่นด้วยมีความผ่องใสด้วยไม่วอกแวกด้วยเป็นจิตที่เที่ยงตรงซื่อตรงด้วยเป็นจิตที่ไม่อ่อนแอเป็นต้นเหล่านี้ด้วยเห็นไหมก็เป็นคุณภาพจิตที่ดี จิตเหล่านี้ก็เป็นฐานรองรับของปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นตรงสมาธิที่ตั้งมั่นนี้แหละปัญญาก็จะได้ชาญฉลาดในการไปแทงตลอดความจริงเก่าคือทุกข์แล้วก็ไปแทงตลอดความจริงกล่าวคือเขตดให้เกิดทุกข์ก็สามารถละ ก, กิเลสที่เป็นเสี้ยนหนามของกระแสชีวิตได้แล้วก็สามารถเข้าไปสัมผัสความจริงก็คือการดับวัตถุทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วสามารถเข้าสู่ความจริงคือหนทาง ปฏิบัทาเครื่องดำเนินเข้าไปสึงความดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเห็นไหมเนี่ยในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าเพราะคุณภาพจิตที่แข็งแรงนี่แหละจึงเป็นฐานเป็นที่ตั้งมั่นของญาณปัญญาญาณปัญญาก็สามารถเข้าไปแทงตลอดความจริงอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เราได้มอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนแด่พระเจ้า ท่านเหล่านั้นที่อนามายกตัวอย่างมาเนี่ยว่าพระเจ้าประสิิ์พระเจ้าพิมพิสารพร้อมได้บริวาลเนี่ยแสนสอง 0,000 ื่นท่านพอฟังธรรมที่พระบระมาศาสด า, า, า, า, าแสดงแล้วท่านเหล่านั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม 10,000 แกัหนึ่งนห0 0 0 น, นแต่ที่น่าสนใจก็คือเหลือหนึ่งหมื่นเนี่ยไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัณ ที่ไม่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านเหล่านั้นประกาศตนขอถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ตลอดชีวิตเหมือนพวกเรานี่แหละฉะนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อสักครู่เรามาประกาศมาปฏิญญาณตนเองขอมอบอัตภาพถวายแด่พระเจ้าก็ประดุดดังบริวารของพระเจ้าพิมพิสารในแสนสุดท้ายเนี่ย ที่ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์ตลอดชีวิตตราบใดยังมีกระแสชีวิตตราบใดยังมีลมหายใจอยู่ก็จับนับถือพระพุทธเจ้าก็จะมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าไปจนตราบว่าเอาลมหายใจเป็นประมาณถ้ายังมีลมหายใจอยู่คติของเราคือพระพุทธเจ้าทางดาเนินที่เราจะเดินตามคือพระพุทธเจ้า ฉะนั้นเอาอัตภาพเอาชีวิตเอากระแสะชีวิตเป็นเดิมพันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าทีนี้ลงมากว่า น, นั้นเราได้มอบกายถวายชีวิตแด่อาจารย์ด้วยเออให้สังเกตดูว่าพวกเราทําตามอะไรเนี่ยทาตามอัจริคาถาาจารย์พะดีกาอาจารย์ทั้งหลายท่านให้มุมไว ท่านบอกว่าถ้าเราจะไปปฏิบัติกรรมฐานเมื่อต้องการจะไปปฏิบัติกรรมฐานไปเจริญกรรมฐานเนี่ยหนึ่งให้สแสวงหากัลยาณมิตรเอาแล้วพอแสวงหากัลยาณมิตรก็แปลว่าหนึ่งกัลยาณมิตรนะั้นจะต้องมีคุณสมบัตินะปิโยคุรุภาวนามิโยวตาจวจนาคโมคัมพีรัญจา ก, กะถัง ก, กะตาโนจาาฐานเนจานิโยชย หนึ่งกัญญาณมิตรที่เราเข้าไปหา1ต้องเป็นบุคคลที่น่ารักน่ารักก็คือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเขตรวจสอบกันคนจะน่ารักหรือไม่น่ารักเขาดูพฤติกรรมเนี่ยโดยบุคลิกภาพที่แสดงออกมาทางกายและวาจาพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายเนี่ยเป็นคนฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามไหมหรืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกรรม พฤติกรรมที่แสดงออกทางวาจาเนี่ยพูดเท็จไหมพูดส่อเสียดไหมพูดคําหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมนั้นกัลยาณมิตรเนะี่ยจะต้องเป็นคนที่น่ารักกายต้องสะอาดไม่มีบาปอกษัตธรรมมันชั่วร้ายเข้าไปเกื้อกล้วกวิจีกรรมต้องสะอาดต้องไม่ทุจริตมนโนกรรมก็ต้องสะอาดต้องไม่โลภต้องไม่โกรธและต้องมีปัญญาคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได้เราต้องสแสวงหา ในชั้นคำสอนท่านบอกว่าก่อนที่เราจะปรงใจไปนับถือใครเป็นอาจารย์เนี่ยคุณจะต้องไปดูก่อนว่าท่านผู้นั้นเป็นกัลยาณมิตรของเราได้จริงหรือไม่อาจจะเป็นกัลยาณมิตรได้จริงหรือไม่จริงก็ดูอะไรดูว่าปิโยน่ารักไหมน่ารักก็ต้องดูพฤติกรรมทางกายเป็นยังไงพฤติกรรมทางวาจา ย, ยังไงและพฤติกรรมทางจิตใจเป็นยังไง กายกรรมวจีกรรมมโนโกรรมกายสะอาดไหมไม่มีบาปอกุศลธรรมอลามกเกิดกล้วมไหมวจีกรรมสะอาดไหมมโนโกรรมสะอาดไหมใจนรกไหมโกรธไหมหรือใจเป็นไปกับเมตตาเป็นไปกับความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนใช่หรือไม่ถ้าเป็นอย่างนี้นี้แสดงให้เห็นชัดว่าเอาแล้วเข้าหลักว่าสแสวงหากิริยานามิตรภาวนีโยแปลว่าอะไร เ, ออเราเห็นท่านพวกนี้เจริญงอกงามในศีลในสมาธิในปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้โหท่านภาวนีโยภาวนียะเนี่ยแปลว่าอะไรศรัทธาของท่านพวกนี้ก็เจริญใช่ไหมศรัทธาก็เจริญในพระรัตนตรยัยความเพียรก็เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านพวกนี้ไม่ใช่อยู่แค่ปกติศรัทธาเนะเป็นภาวนาศรัทธาจริงๆด้วย ท่านมีความเชื่อมั่นมีความรักในพระธนัตไตรยอย่างแรงกล้าด้วยมีความเพียรในการกำจัดบาปอย่างแรงกล้าด้วยคือหนึ่งท่านสามารถกำจัดอสัทย์ยะความไม่มีศรัทธานในพระรนัตไตรได้ตั้งมั่นในวัตถุสามคือพระธนัตไตรสองความเพียรของท่านก็คือกำจัดโกสัจ ช, ชะอกุศลคือความเกียจค้านได้ไม่ปล่อยให้ความเกียจค้านครอบงาใจได้ 3ก็คือท่านมีสติที่มีกําลังแข็งแรงมากกําจัดความหลงลืมสติเป็นต้นได้มุทัสติประการที่4ี่ท่านกําจัดความฟุ้งซ่านได้เป็นคนที่มีสมาธิตั้งมันประการที่5ท่านกําจัดความหลงความมืดบอดได้มีปัญญาที่มั่นคงนี่เขาเรียกภาวนิโยเป็นผู้ที่มีความเจริญในคุณธรรมอย่างยิ่งยวดขึ้นไปนี่คะสแสวงหากรยานามิตร วัตตาเป็นผู้ว่ากล่าวทีนี้ก็คือสามารถตักเตือนตักเตือนตักเตือนเราได้แนะนำเราได้บอกกล่าวเราได้เราจรึงเข้าหาวัจนะขโมก็คือทนต่อการว่ากล่าวก็คือว่าแม้สอนแม้บอกกล่าวยังไงก็ไม่เบื่อหน่ายนะไม่เบื่อหน่ายเจอ ลูกศิษย์ว่ายากสอนยากก็ทนในการที่คอยประคับประคองในการที่จะนำพาลูกศิษย์มีปัญหาขนาดไหนมีความทุกข์มีความเดือดร้อนอย่างไรก็ไม่แหน่งหน่ายมีปัญหาชีวิตเข้ามาถามแล้วแล้วเล่าเล่าก็อดทนบางทีเจอลูกศิษย์ตำหนิต่อว่าต่อขาน ก็ทนต่อการว่ากล่าวได้แหมวนจะนะขโมเนี่ยทนต่อการว่ากล่าวได้คือไม่ใช่ว่าคนจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาเป็นคนใจเบาที่โกรธกระทบกระทั่งนิดก็ไปไม่เป็นไม่ใช่ประการต่อมาก็คือคำเภียรันจากกระถังกรตาก็คือว่าฉลาดในพระไตรปิฎกไหมฉลาดในพระวินยัย ในคำสอนพระริเจ้าไหมฉลาดในพระสุตตันตปิฎกไหมฉลาดในพระพิธรรมปิฎกไหมว่างั้นเถอะเห็นไหมโอ้สามารถฉลาดกล่าวคําสอนในดึงคําสอนในพระไตรปิฎกให้มาเป็นคําพูดเพื่อให้พกวกเราทั้งหลายสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างชัดเจนเรียกว่าวัดก็ว่าคำพีรัญจักฐางกตาสามารถกล่าวคําสอนที่ลึกซึ้งได้ พูดเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องอินทรีย์เรื่องสัจจะเรื่องปฏิเจริญบาทเรื่องกระแสชีวิตของลูกศิษย์เนี่ยนำได้ชี้แจงแยกแยะรายละเอียดเมื่อประพฤติปฏิบัติติดขัดบอกได้เลยว่านี่เป็นอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ต้องขนาดนั้นโนจ่าฐานเนจานิโยชยเยก็แปลว่าไม่นําพาในทางที่ผิดนี่สําคัญมากนะคนที่จะเป็นกัลยาณมิตร ต้องไม่สอนกรรมฐานผิดต้องสอนกรรมฐานที่เหมาะแก่อัธยาศัยของสิทนี่เราเจอกัลยาณมิตรอย่างนี้แล้วเราจึงเข้าไปมอบกายถวายชีวิตเพราะเชื่อมั่นว่าคนที่เป็นกัลยาณมิตรของเราจะนําพากระแสชีวิตของเราให้ไปเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและปา ร, ริยสงฆ์เป็นต้นได้ อันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเนี่ยว่านี่แหละว่าเรื่องมอบกายหรือมอบตัวแก่พระเจ้าคับกับครูบาอาจารย์ต้องชัดตรงนี้ด้วยถ้าตรงนี้ไม่ชัดถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เลยไปมอบเป็นแค่พิธีใช่ไหมเจอใครก็ไปมอบไปทั่วเลยแล้วมาก็ยังนึกเอะใจนะว่าเออเนี่ยพวกเราที่มานั่งอย่างเงี้ยรู้จักกับครูอาจารย์แค่ไหนมามอบกายกันเนี่ยเนีเอา้าเราเชื่อมั่น ผู้นำคือทางยูเอฟโอเนี่ยจะแนะนำเรามาดีใช่ไมเออเชื่อมัน่นเมื่อเขามีเอกสารให้เราว่าแล้วก็ว่าตามโดยปราศจากเงื่อนไขแล้วก็อิมาหังพันเตอัตภาวังก็ว่ากันเลยใช่ไหมเอา้าต่นนี้เราว่าแล้วนะทีนี้ว่าไม่ใช่แค่พิธีกรรมทีนี้พอไปมอบกันอย่างนี้แล้วเวลามาบอกมาว่ามากล่าว หรือมาแนะนำกันแล้วก็ต้องไม่มีเงื่อนไขอย่างอื่นเข้าใจไหมไม่มีเงื่อนไขถ้าครัวจา์บอกเอา้าคุณต้องไปนั่งกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงนะเออต้องไปนั่งหนึ่งบรรลังนะเนี่ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยความเพียรคุณต่ำลูกศิษย์เนี่ยก็ต้องไม่มีเงื่อนไขก็ไปนั่งตามนั้นจริง ๆ, จ, งๆจนกว่าจะครบหนึ่งบรรลังบรรลังหนึ่งคือชั่วโมงครึ่ง พอครบชั่วโมงครึ่งแล้วก็เข้ามารายงานกับครูอาจารย์อาจารย์ก็ได้สอบถามเออเนี่ยที่นั่งหนึ่งบรรลังเนี่ยได้อะไรเออกาหนดเป็นยังไงกรรมฐานเป็นยังไงสภาวะเป็นยังไงนิวากันไปอย่างนี้นะไม่ใช่บอกว่าเออเนี่ยอาจารย์สั่งบอกว่าเอาคุณไปนั่งหนึ่งบรรลังนะเรื่องอะไรจะนั่งถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าการมอบกายการมอบอัตภาพเนี่ยมันเลยกลายเป็นแค่พิธี นั้นตรงนี้ให้เข้าใจว่าเอาละระหว่างคนที่ทําหน้าที่ในฐานะเป็นอาจารย์กับคนที่ทําหน้าที่ในฐานะเป็นสิทธิ์เขาจะมีครอบปฏิบัติยึดโยงก่อการก็เลยแสวงหาการยาณมิตรเมื่อสแสวงหาการยาณมิตรแล้วก็เข้าไปหาครูอาจารย์เป็นต้นทีนี้เมื่อเราท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจบริบทอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้ว่ากรรมาฐาน ตัวกรรมฐานที่เราท่านทั้งหลายจะต้องฝึกปลือเนี่ยนะก็แปลว่าหนึ่งก็คือว่าวิธีการเจริญสมาธิเนี่ยตามขั้นตอนก็คือว่าเบื้องต้นจริงๆก็คือว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องตัดปริโภ o t ี่นะเรามากันอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้แล้วเนี่ย ไอ้ปริโภดเนี่ยมันมีเยอะปริพภดเขาแปลว่าเครื่องผูกพันหรือเครื่องนวงเหนียวท่านทั้งหลายที่มากันนะที่นี้จะต้องมีเครื่องผูกพันและมีเครื่องนวงเหนียวอยู่ในใจนะซึ่งเป็นเหตุให้ใจพวักพวงห่วงกังวลไม่โปร่งก็แปลกันง่ายๆก็เรียกความกังวลความกังวลเนี่ยเาเรียกปริพอด ทีนี้เมื่อมีปริพภทอแล้วเนี่ยทำให้การปฏิบัตินั้นก้าวหน้าได้ยากท่านทั้งหลายที่มากันนะที่นี้ญาติโยมทั้งหลายที่มาเนี่ยถ้าใครมีเครื่องกังวลในจิตใจการปฏิบัติก้าวหน้าได้ยากไม่ว่าจะมาเดินทานกุศลศีลกุศลและพัฒนาสุภวานากุศลก้าวหน้ายากมากเพราะมีอะไรมีเครื่องกังวลมีเครื่องกังวลฉะนั้น เมื่อเราคบหาการยาณมิตรแล้วการยานมิตรจะบอกเราเลยในเบื้องต้นว่าท่านทั้งหลายมากันณสถานที่ตรงนี้ที่ตั้งใจกันมาเจดวันเนี่ยท่านทั้งหลายมีอะไรเป็นบริพโธดบ้างเอาทีนี้ปริพโธต่างต่างเหล่านีนน้ถ้าใจไม่ผูกพันเนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะถ้าใจผูกพันเป็นเครื่องปริพโธ ท, ทีนี้ว่าประการแรกจริงๆก็คือที่อยู่เขาเรียก อ, อาวาส การที่เรามีที่อยู่เนี่ยตนเองต้องมีของใช้ของเก็บสะสมไว้มากมีการงานข้างค้างทีนี้ก็คือว่ามีการงานที่ข้างค้างไว้ที่บ้านใช่ไหม เ, เรียกอาว่าปริโพศฉะนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเครื่องกังวล แต่ถ้าใจไม่ผูกพันไม่เป็นไรใจไม่ผูกพันไม่เป็นไรนะเรามีบ้านเรามีการงานทั้งหลายอยู่ในบ้านนั้นพิจารณาดูว่าเออตรงนี้เราตัดได้จริงไหมถ้าตัดไม่ได้ให้สมาทานวางใจว่าเอาละวันเวลาที่เหลือนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะตัดปริโพอ์เครื่องกังวลทางบ้านให้หมด อันนี้รวมไปถึงว่าอุปกรณ์เครื่องใช้โทรศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเป็นบริโภษนะเป็นบริโทษในะในการมาปฏิบัติเนี่ยฉะนั้นก็คือต้องตัดเว้นไว้แต่จําเป็นที่สุดนะถ้านี้หมายถึงความบุคคลที่หวังความเจริญในการประพฤติปฏิบัติจริงๆก็ต้องตัดตัดบริโโทษคือที่อยู่ประการที่สองก็คือกุละ ปริโภคือคือตระกูลหมู่ญาติคนสนิทสนมห่างไปใจก็คอยห่วงทำใจไม่ค่อยได้โยมมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีบุตรมีภรรยามีสามีมีญาติมิตรไอเนี่ยก็เรียกญาติเนี่ยแหละตระกูลนั้นพอมาอยู่ตรงนี้แล้วก็จิตใจโหยหาห่วงอะไรอาวรณ์อันนี้ต้องตัด ต้องวางต้องพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันฉะนั้นเราต้องฝึกขัดในการที่จะฝึกจากมาประพฤติปฏิบัติเราจะมาคอยห่วงกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เวลานี้เราต้องการมาฝึกฝนอบรมตัวเองจริงๆใช่มนี้ก็ต้องตัดต้องสละจริงๆภายเวลาที่กำหนดนี้ ถ้าอย่างนั้นเวลาปฏิบัติก็จะมารบกวนนี่เรียกปริโพศในเรื่องของตระกูลประการต่อมาคือนะคณะคนะก็คือกลุ่มที่เราคนที่มีหน้าที่มีลูกมีหลานมีบุตรมีญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตลอดถึงมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยต้องคอยสอนต้องคอยสอนต้องคอยบอกกล่าวอันนี้ก็ต้องตัดให้ได้ต้องหาตัวแทน ประการต่อมากรรมมาคือการงานนะการก่อสร้างการงานที่ยังไม่เสร็จอะไรทั้งหลายเหล่านี้การงานทั้งหลายทุกอย่างที่ทำข้างค้างไว้ต้องวางเลยนะวางปุ๊บไปเลยว่าเราจะมาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติ ด, ด้วยห่วงงานด้วยโทรไปสั่งงานอยู่เลยเนี่ย น, นี้เสียเลยในนี้ไม่ควรประการต่อมาอัธทานนะคนที่มีกิจธุระทั้งหลายเหล่านี้ต้องตัด เช่นธุระในการจะเดินทางไปนู่นมานี้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็ต้องตัดเป็นเรื่องกังวลแล้วก็ญาติไม่ว่าญาติทางบ้านหรือทางวัดทั้งหลายเหล่านี้ครูอุปชาจา์ทั้งหลายนี้คนป่วยก็ถ้าจะมาประคุณปฏิบัตินะ่ขวนขวายทำให้หายเสียแล้วประการต่อมาก็คือตัวเราเองให้สังเกต ด, ดูว่าอาการเจ็บป่วยนะดูแลสุขภาพ เขาเรียกว่าอาพาธปริโภ o t ตนเองป่วยไข้ก็รักษา ห, หายถ้าดูท่าทีจะไม่หายรักษาอย่างไรก็ไม่หายรักษาอย่างไรก็ไม่หายวิธีการก็คือว่าให้เตือนตัวเองทันทีว่าเราไม่ได้เกิดมาเป็นาธาตุของกายนี้เอาละเราจะปล่อยวางแล้วเราจะไม่มัวกังวลกับมันอีกต่อไปกินยาเท่าที่จาเป็นเท่ากินเท่านั้นเองแต่เรากการประพฤติปฏิบัติการขัดเกลาจะต้องหยุดไม่ได้ อันนี้ก็ให้เต็มที่ ก, การประพฤติปฏิบัติเลยเข้าใจนะนี่ก็คือการเจ็บป่วยต่อมาการศึกษาเาเรียนในการศึกษา เ, าเรียนทั้งหลายเหล่านี้ก็ตัดทีนี้เมื่อตัดปริโภทททั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้แล้วเนี่ยก็ไปสแสวงหากัญยาณามิตรที่บอกนี่แหละพูดไปแล้วเรื่องกัญยาณมิตร เมื่อแสวงหากะรยานมิตรเบเสร็จแล้วเนี่ยประการขั้นตอนต่อไปก็คือการรับกรรมฐานนี่รับกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานเนี่ยสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาศึกษากันตรงนี้ก็คือว่ากรรมฐานก็แปลว่าที่ตั้งแห่งการทำงานของจิตหรือที่ให้จิตทำงาน ถ้าความหมายเป็นทางการก็ก็เรียกว่าสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนาหรืออุปกรณ์ในการฝึกอบรมจิตนั้นเราจะต้องมีอุปกรณ์ฝึกหรือเป็นอุบายหรือกลวิธีในการเหนี่ยวนำสมาธิสิ่งที่นำมาให้เอานำมาเพื่อให้จิตกาหนดเนี่ยอันนี้ตัวกรรมาฐานทีนี้พอพูดถึงในเรื่องกรรมาฐานให้สังเกตไว้ทีแรกเนี่ยเอามาพูดถึงในเรื่องของพุทธคุณ ทำไมจึงจะึงบอกในเรื่องของพุทธคุณก็ไว้เหตุผลที่บอกในเรื่องของพุทธคุณก็ไว้ก็คือต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกถึงคุณของพทธเจ้าว่ายามใดศรัทธาเราอ่อนแอยามใดศรัทธาท่านทั้งหลายอ่อนแอนะเวลานั้นให้ระลึกถึงคุณของพุทธเจ้าเกิดความกลัวเกิดอ่อนแอทางด้านจิตใจนั้นน่ะ เวลานั้นให้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยระลึกถึงเครื่องคุ้มครองป้องกันอุปสรรคและพียอันตรายให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาแปดจารณา15เป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสาม เป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะพระบรมศา ส, าสดานั้นเป็นผู้แสดงมีแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางได้ที่สุดทรงประกาศพรมจรรันทร์ที่ถึงพร้อมด้วยอัฏฐาและบัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพระบรมศา ส, าสดานั้นประสูติแล้วใช่หมหน้าที่ลุมพินีวัน แล้วพระ อ, องค์ก็ทรงยางอัตภาพให้เก้าไปได้ในีเจ็ก้าแล้วก็เปล่งอาสพิวาจาว่าอะโคมัสมีโลกาสะเชิดโธมัสมีโลก า, าสะเศธโธมัสมิโลกาสะอายมัติมาชาตินัิธานิพุณัพโวติพระบรมศาสดาตอนประสูต寿ใบใๆนั้นพระ อ, องค์บอกว่าเราเป็นผู้เลิอที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก และท่านก็บอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปอันนี้แปลว่าอะไรบุคคลจะเจริญที่สุดบุคคลจะประเสริฐที่สุดบุคคลที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะมาเจริญมาประเสริฐแล้วมายิ่งใหญ่หรือสูงสุดกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเป็นต้นได้แต่มาด้วยการปลึกฝนอบรมพัฒนา พระบรมศ า, าสดาบำเพ็ญบารมี20อสงไขยยิ่งด้วยแสนหมหากรัพจึงเปล่งอาสภิวาจาอย่างนี้ได้เป็นต้นก็ให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยระ ล, ลึกถึงพรัจริยาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เราจะได้มีความเชื่อมั่นว่าพระพทธเจ้านั้นเป็นผู้เจริญที่สุดเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วพระองค์ประกาศว่าภพนี้เป็นภพสุดท้ายภพใหม่ คือการปฏิสนธิคือการเกิดจากไม่มีอีกต่อไปแล้วการที่พระบรมศาสดาท่านยืนยันอย่างนี้นั้นบ่นบ่งบอกถึงพระอัยาศัยสที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลแล้วก็เกิดความมั่นใจอย่างสูงสุดเราท่านทั้งหลายลงมาพิจารณาดูที่ว่าเอาละเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราได้พระบรมศาสดาที่เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ย ในโลกเนี่ยทอมทั้งเทวโลกและพรหมโลกเราควรภูมิใจเราควรภูมิใจแล้วต่อมาพระบรมศา ส, สดาก็ทรงออกผนวดแล้วบำเพ็ญทุกการกิริยาอยู่หปีไปบำเพ็ญทุกการกิริยาในหปีเนียทดลองมาแบบผิดผิดมาเยอะที่สุดจริงๆพระองค์ก็หัว ล, ลึก นึกถึงสมัยยังเยาว์วัยตอนนั่งอยู่ใต้ต้นว่าตอนพระบิดาทาเสด็จพิธีทอดแลกนาขวัญตอนนั้นพระองค์ก็ยังประถมชาญให้ตั้งขึ้นด้วยการเจริญอาณาปณะสติพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าชลอยว่าขนทางนี้ละหนอที่จะเป็นช่องทางแห่งการบรรลุสัมมาสัมพธิยานของเรา ท่านก็เลยละการปฏิบัติอย่างอื่นทั้งหมดหันกลับมาเจริญอาณาปณาสาติพระเจ้าจึงตรัสไว้ว่าก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนตัดสรู้ตอนที่เรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้เราก็อยู่ด้วยอาณาปณาสาตินิดโดยมากก็ แ, แปลว่าอะไรแปลว่าในขณะที่พระองค์บำเพ็ญความเพียรอยู่หลังจากเลิกความเพียรแล้วเนี่ย พระ อ, องค์มาเจริญอาณาปานสติแล้วพระ อ, องค์ก็บอกว่าเมื่อเราเนี่ยเจริญอาณาปานสติอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยกายก็ไม่เหนื่อยตาก็ไม่เมื่อยก็สรุปแล้วก็คือว่ากรรมฐานอื่นๆยกตัวอย่างเช่นไปเจริญกสินเนี่ยเราต้องเพ่งใช้ตาเพ่งไงตามันก็แทบจะถลนออกมาเนียตามันเมื่อย หรือไปเจริญกลุ่มธาตุกรรมฐานเลยทีเดียวเนี่ยไปพิจารณาการจักายส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ธาตุดินปรากฏดเดี๋ยวก็หนักปรากฏบ้างแข็งปรากฏบ้างหยาบปรากฏบ้างเบาปรากฏบ้างอ่อนปรากฏบ้างเรียบปรากฏบ้างเย็นปรากฏบ้างร้อนปรากฏบ้างไหลปรากฏบ้างเกาะกลุมปรากฏบ้างพยุงปรากฏบ้างผักอาการผักแรงๆปรากฏบ้าง เนี่ยเหมือนกับเอาตนเองใส่ลงไปในโครกบดเงี้ยเนี่ ย, ยกายมันก็ทรมานกรรมฐานอื่นไม่สบายแต่อานาวานัสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วอาการเหล่านี้ไม่มีพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมยังบาปอกศุศลธรรมอันชั่วลายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปโดยพลันเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤ ด, ดูการ ยังฝุ่นละอองให้ฟุ้งไปฉะนั้นแล้วอาณาปณะสติเมื่อเจริญแล้วเนี่ยกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยร่างกายก็เบาสบายเยือกเย็นสงบมีโอชะมากมีความสุขมากยิ่งเจริญยิ่งได้ความสุขนี่คือพระองค์กพูดให้ดูอ๋ออาณาปณะสตินี่เป็นการเจริญแล้วจะเข้าถึงบรมสุขได้อย่างนี้เป็นต้น ทีนี้ถ้ามองอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าพระเจ้าหลังต่อหลังจากนั้นเนี่ยที่จริงพระ อ, องค์ก็ได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุธิญานเมื่อทรงตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุธิยานทํากิเลสให้นิพพานแล้วนีพ่พระองค์ก็ได้สาวุปาทิเสสานิพพานธาตุแล้วกระแสชีวิตที่เหลือทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อประโยชน์บุคคลอื่นโดยแท้และพระธรรมคําสอนของพระบรมศ า, าสดาก็สว่างรุ่งเรืองประดุจ ด, ดวงประทีปนี่ ทีนี้นี่ไงว่ายามใดที่เราเกิดความทอ้อถอยก็ให้เลกถึงพระพุทธเจ้าเลกถึงพระโอวาทถ้ายามใดเกิดความประมาทเลินเล่อพระองค์ก็สอนว่าให้เจริญมรณาสติให้เจริญมรณาสติให้นึกถึงเออเห็นไหมว่าการเจริญอนาณาบรณาสติเนี่ย ออพอจะพลิกกลับไปเจริญกรรมฐานอื่นจะง่ายมากเช่นจากอาณาปณะสติเพื่อจะไปเจริญมรณสติง่ายเลยเพราะดูลมหายใจขาดเพราะชำนาญลมและจะรู้ทันทีว่าโอ้ยอลมนี่จะขาดลงนะเมื่อไหร่ก็จะเห็นความตายได้อย่างรวดเร็วเพราะลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นข้อบ่องบอกว่าชีวิตจะอยู่หรือไม่อยู่ ก็ดูที่ลมนี่แหละไอความประมาทมัวเมาในวัยในชีวิตในความเป็นหนุ่มสาวในความไม่มีโรคทั้งหลายก็จะถูกทาลายเพราะดูลมว่ามันขาดทุกทุกขณะถ้ามันเกิดไม่หายใจขึ้นมาหายใจไม่ออกขึ้นมานี่ตายเลยนี่ไอ้ประมาทมัวเมาก็กลับไปเจริญมรรคานสติถ้ายามใดเกิดความเครียดความกรัดกลุ้มตอนนั้นก็เมตตา เดินเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้อถอนยามใดเจริญไปเจริญมาเกิดกําหนัดยินดีเพลิดเพลินมัวลุ่มหลงขึ้นมาก็พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายไม่งดงามยังไงก็เจริญอสุภะกรรมฐานเป็นต้นเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่าสัพพตกากรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานลองเป็นกรรมฐานลองที่จะวิ่งเข้าสู่กรรมฐานหลัก ก็คือกรรมฐานที่ต้องบริหารอย่างต่อเนื่องอย่างนี้เป็นต้นเอาละตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเราพอจะเข้าใจบริบทในชั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้พอสมควรแล้วเนี่ยสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องมาเริ่มต้นมาปรารถนาอยากจะขับเน้นให้พวกเราทั้งหลายเกิดความเข้าใจก่อน ถ้ามาไม่ไม่ปราศนาให้พวกเราเนี่ยเข้าไปนั่งหรือไปเดินจงกลมไปนั่งกันโดยปราศจากข้อมูลที่ถูกต้องนั้นปราถนาให้พวกเราเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นจึงพยายามบอกข้อมูลเมื่อบอกข้อมูลเสร็จแล้วต่อไปก็จะให้มีระบบการสอบถามเลยฉะนั้นเวลาเราท่านทั้งหลายสงสัยอะไรเตรียมข้อมูลไว้เลยเมื่อ เรามีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยประมาณ 5-6 วันเนี่ยเท่านั้นมีเวลาน้อยมากคอร์สปฏิบัติที่จะสามารถทําให้การปฏิบัติเนี่ยได้รับผลอย่างดีเลิศเนี่ยการปฏิบัติก็จะต้องยืดเวลาค่อนข้างมากกว่านี้ฉะนัน้นมาก็มาคํานวณดูว่าอะไรหนอที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเรามากที่สุดก็บอกอ๋อพวกเราจะต้องมาสืบค้น แล้วก็จะต้องฟังข้อมูลให้ชัดอย่ารีบอยากให้เรารู้ก่อนแล้วค่อยไปเพียนตอนนี้ว่าเราทั้งหลายที่มานั่งฟังเนี่ยเหมือนเรากำลังมานั่งฟังในกรณีที่เราจะเดินทางพระครูบาอาจารย์มีหน้าที่ในการบอกแผนที่บอกเส้นทางให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ความสามารถจัก เป็นไปได้เมื่อบอกขนทางบอกแผนที่บอกลายแทงให้ละเอียดทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นตอนแล้วเมื่อเราท่านทั้งหลายลงมือกระทำกรรมฐานแปลว่าเหมือนคนเดินทางในขณะที่เดินทางเนี่ยเวลาเกิดปัญหาติดขัดใดๆถ้าครูบาอาจารย์อยู่ใกล้มันสอบถามได้ทันทีแต่ชีวิตกระแสะชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ย เราจะอยู่ใกล้กันได้ไม่เกิน7วันเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ต้องจากและเวลาที่เหลือพวกเราจะไปถามใครนั่นคือปัญหาแต่เมื่อเรารับข้อมูลไปอย่างเต็มเปี่ยมเต็มข้อมูลแล้วอยู่ตรงนี้เราได้ทั้งภาพการบอกกล่าวรายละเอียดทั้งหมดด้วยเท่าที่ความสามารถของครูบาอาจารย์และความสามารถของพวกเราเนี่ยจะรับได้ และในขณะเดียวกันก็ฝึกหัดประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลําดับด้วยในช่วงเวลาแต่ละเวลาเมื่อหยุดฟังแล้วมันก็เลยได้ทั้งสองส่วน1ได้ข้อมูลไปด้วย2ได้ปฏิบัติไปด้วยและข้อมูลที่ได้แล้ว2การปฏิบัติที่เริ่มต้นเดินไปแล้วมันก็จะมั่นคงเมื่อมั่นคงแล้วกิจกรรมแห่งการจัดที่ยุบพุทธครั้งนี้เจวันในจบแต่การปฏิบัติของเรามันจะจบไม่ได้มันต้องเดินต่อ ว่าชีวิตมันต้องยืนมันต้องเดินมันต้องนั่งมันต้องนอนมันต้องคู่เหยียดก้มเงยกระพริบตาอ้าปากมันต้องกินดื่มเคี้ยวริมต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องยืนต้องเดินต้องนอนต้องหลับต้องตื่นต้องพูดต้องนิ่งกระแสชีวิตจะต้องไม่หยุดตัวจะต้องเดินอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่ในร่องรอยการประพฤติปฏิบัติได้อย่างไรฉะนั้นถ้ารู้ไม่ละเอียดมันก็เหมือนกับคนฟังการบอกเส้นทางที่เราจะไปจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งไม่ชัด มันก็ไปขับรถวนอยู่นี่แหละแล้วที่สุดจริงๆมันก็ไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริงนั่นคือปัญหาของกลุ่มผู้ปฏิบัติญาติโยมซึ่งเป็นนักปฏิบัติคงจะมาที่ยุพุนธกันหลายรอบแล้วแล้วก็จะรู้ว่าเออเนี่ยลองสังเกตดูกระแสชีวิตของพวกเราเนี่ยว่าหมุนขึ้นหมุนเข้าหมุนออกมาเนี่ยแล้วพัฒนาแค่ไหนทําไมข้อมูลเรามันไปได้ครึ่งๆกลางๆ เพราะมันเหมือนว่าเราฟังได้แค่ไม่มากและเราก็ไปทําว่าทํามันก็ติดอยู่แค่นั้นแล้วมันก็วนกลับมากันอยู่เนี้ยเมื่อไหรหนอที่เราจะได้ข้อมูลที่มันเบ็ดเสร็จครบวงจรรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นถ้ำกลางและที่สุดอย่างละเอียดละออที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อเรารับฟังอย่างละเอียดละอ่เป็นไปอย่างตามลําดับไม่รัดขั้นตอนเป็นไปตามลําดับ ตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อและอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วแม้เราจะเดินออกจากยูอพุทธเราก็สามารถไปทําให้ต่อเนื่องได้เวลาใดมีกิจกรรมเอนการปฏิบัติอีกหมุนเวียนกลับมาพบเจอเจ อ, เจอครูบาจารย์อีกก็มาแบบการต่อยอดไม่ใช่มาแบบเริ่มต้นเราปราถนาให้พวกเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่กลับมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ไม่ปราถนาอย่างนั้นซึ่งมันเป็นความเหนื่อยยากมากนะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่เคยย้อนเกาะกลับมานะกระแสชีวิตเนี่ยมันนับวันที่จะต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยมันไม่จอย้อนกลับหลังฉะนั้นถ้าผิดมันผิดเลยนะถ้าถูกมันจะถูกนะถ้าคำนวณหรือเดินเส้นทางผิดมันจะผิด แต่ถ้าหากสามารถเดินได้อย่างถูกต้องเพราะรู้ข้อมูลอย่างถูกต้องละเอียดถี่ถ้วนเราก็จะสามารถนำพาการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นน่ะเป็นไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องที่สุดจริงๆมันจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้ายังไม่ได้มันก็ไปได้เกินครึ่งมาพบเจอเจอกันอีกครั้งมันไม่ต้องมาพูดเริ่มต้นแต่มันจะสามารถพูดต่อยอดไปได้เลยเรายอมเสียเวลา ยอมฟังให้ละเอียดเสียดีกว่าเราฟังอะไรแบบลวกๆฟังแบบไม่ละเอียดฟังไม่แบบไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไปเป็นปัญหาในระหว่างปฏิบัติจะดีไหมฉะนั้นตรงนี้ก็คือนี่แหละว่าอามาเนียมีประสบาการณ์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนพวกเราเนี่ยมีประสบาการณ์มามากแล้วก็เห็นมามาก ระหว่างที่พูดไม่ละเอียดแล้วผู้ฟังจับเอาไปปฏิบัติโดยไม่ถูกต้องคือฟังไม่หมดฟังไม่หมดข้อความแล้วก็ไปหยิบข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาหามาอีกเมื่อ 4-5 หปีที่เจอก็บอกว่านี่ยังไงที่ท่านอาจารย์บอกไว้ยมไปทำมามันมีผลแบบเนี้ย มก็ตกใจว่าเออไอสิ่งที่เราบอกมันไม่ใช่อย่างนี้นี่ก็มานั่งนึกทบทวนดูอ้อนี่ไงการบอกหรือการบอกข้อมูลที่ไม่ดีหรือบอกไม่หมดหรือบอกไม่ละเอียดในชั้นของคำสอนท่านแนะนำครูคนที่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะบอกกรรมฐานว่าถ้าอยู่ด้วยกันเป็นปีนะเป็นปี ให้สอนแบบยอ่อไม่ต้องบอกละเอียดแต่ถ้าอยู่ด้วยกันไม่นานเดี๋ยวก็จะต้องจากกันแล้วเนี่ยต้องบอกละเอียดเพราะคำสอนที่เราบอกละเอียดแล้วนั่นแหละจะเป็นกัลยาณมิตรติดกระแสะชีวิตของท่านบูญนั้นแล้วคอยพร่ำบอกตลอดเวลาเมื่อท่านทั้งหลายไปปฏิบัติกันเหมือนขับรถ มันจะนึกตลอดเลยนะว่าขับไปเนี่ยมันจะมีเออพอถึงแยกตรงนี้มาถึงสี่แยกนี้ต้องเลี้ยวซ้ายมาถึงสี่แยกตรงนี้ต้องตรงไปพอถึงสามแยกตรงนี้ต้องไปยูเทินมันจะบอกหมดนะไม่ใช่พอไปแล้วมันจำไม่ได้หรือพอฟังไม่ละเอียดนันก็จะวิ่งผิดทางใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาว่าเออเนี่ยทำไมเราจะต้องมาขับเน้นที่จะต้องมาบอกกล่าวกันก่อน ทีนี้อยากจะบอกพวกเราทั้งหลายว่ า, าการปฏิบัติคืออะไรก่อนที่จะนำสู่ผางการบอกกล่าวเนี่ยในรายละเอียดหลายๆท่านญาติโยมหลายๆลายท่านไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยคือต้องนั่งหลับตานะบางท่านไปเข้าใจอย่างนี้นะต้องนั่งหลับตาเท่านั้นถ้าลืมตาไม่เรียกว่าปฏิบัติ บางท่านไปเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องใส่ชุดขาวเนอะถ้าใส่ชุดอื่นการปฏิบัติไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไปบางท่านก็บอกว่าการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีการนั่งบางท่านก็ต้องบอกมีการเดินจงกรมห้ามนอนอย่างนี้เป็นต้นเออตรงนี้เห็นไหมว่าบริบทการที่พูดถึงการปฏิบัติเนี่ยต่างกันนะอามาถามหน่อยว่า ถ้าเรานั่งอยู่อย่างนี้และในขณะที่นั่งเนี่ยแล้วกำลังฟังธรรมะอยู่อย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติหรือไม่ถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าในขณะที่จิตจดจ่อฟังด้วยความจงใจด้วยความตั้งใจด้วยความที่จิตที่มีศรัทธาเชื่อมั่น ในคุณของพระสัมมาสัมพระเจ้าแล้วก็ฟังอย่างต่อเนื่องสติก็เป็นไปกับพระธรรมคำสอนที่พระท่านสาธยายหรือพระกำลังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่องอันนั้นเขาเรียกว่าภาวนากุศลเห็นไหมว่าในบุญกิจวัตถุเนี่ยจะมีคำว่าทานศีลและภาวนาในกลุ่มของการแสดงธรรมในกลุ่มการฟังธรรมเนี่ยท่านจัดเข้าอยู่ในภาวนากุศลนั่นแหละคือการปฏิบัติ เลตเป็นกุศลชั้นสูงด้วยคำว่าภาวนากุศลทําไมจึงเรียกภาวนากุศลเพราะตอนนั้นกําลังเติมเต็มทําศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไปทําความเพียรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทําความเพียรที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตอนนั้นสติที่ยังไม่เกิดก็หมันระลึกทําสติให้เกิดขึ้นและสติที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เจริญไปบูนยิ่งยิ่งขึ้นไป ทำสมาธิคือความตั้งมั่นในการฟังธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เจริญไพบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ไงเขาเรียกปฏิบตัติตอนนั้นก็เกิดความรู้เกิดความเข้าใจที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าฟังธรรมแล้วได้อินทรีย์5พลังหเพิ่มอันนี้เคขาเรียกปฏิบตัติแต่ไม่ใช่คนฟังมานั่งอยู่อย่างนี้แล้วจะได้ปฏิบัติทุกคนนะ บางคนมันนั่งอยู่แล้วหลับนั่งสงัพังงบนั่งหลับนั่งฟุ้งซ่านขดโขลท้อถอยง้อยเหงาเศร้าซึมอั น, นี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติแม้ต่อให้นั่งกรรมฐานถ้าไปนั่งอยู่จิตดหดโขง้อยเหงาเศร้าซึมงอกง่วงออนนี้ไม่เรียกปฏิบัติเพราะตอนนั้นศีลไม่เกิด ตอนนั้นสมาธิไม่เกิดตอนนั้นปัญญาไม่เกิดเอาไปเดินที่เรียกว่าเดินจงกรมเนี่ยแต่เดินฟุง้งเดินคิดเรื่องโน้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างจิตไม่เป็นไปกับการฝึกศีลสมาธิปัญญาอันนั้นก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติเห็นไหมว่าเราไปดูแค่รูปแบบไม่ได้จริงๆทั้งหมดคือความเข้าใจนะไม่ใช่แค่รูปแบบถ้าไปนั่งแค่รูปแบบว่าปฏิบัต อันก็แค่ถ่ายภาพกันมาก็ออกปฏิบัติหมดสิทั้งนั้นเน่ยเห็นไหมว่าเนื้อในของการปฏิบัติจริงๆต้องดูว่าดูศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมความเพียรเพิ่มขึ้นไหมสมาธิสติและปัญญาเพิ่มขึ้นไหมนั่นเจริญอย่างต่อเนื่องไหมเขาเรียกภาวนาภาวนาก็แปลว่าทำอินทรีย์5เป็นต้นเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพ่บูรณ์ยิ่งขึ้นไป นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมว่าหลายๆคนเข้ามานั่งกรรมฐานที่บอกว่านั่งกรรมฐานนั่งหลับตาอยู่นี่แหละแต่ตอนนั้นบาปอากุศลโจมตีตลอดเลยทั้งหดหู่ท้อถอยบางคนก็กำนัดยินดีเพลิดเพลินบางคนก็เครียดโกรธกระทบนั้นกระทบนี้บางคนก็ฟุ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้ความมืดบอดก็เกิดขึ้นไม่เป็นปฏิบัติตอนให้นั่งทั้งวันก็ไม่ปฏิบัติเดินทั้งวันก็ไม่ปฏิบัติ เพราะว่าตอนนั้นกิเลสกำลังกุ้มรุมอยู่เห็นไหมการปฏิบัติไม่ได้เดินจริงนะมองเห็นได้ยังว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเนี่ยต้องอยู่ที่รู้หรือไม่รู้มันเหมือนว่าเราบอกว่าเอาละให้มีรถกันคนละคันแล้วให้พวกเราเนี่ยเอาไปที่เชียงใหม่ แต่ทุกคนไม่ศึกษาเส้นทางเลยบอกให้ไปเชียงใหม่ทุกคนก็ฟึดไปหมดเลยไปมั่วเลยทีเนี้ยทางมันเยอะแยะไปหมดก็วิ่งกันไปหมดเลยแล้วเราก็บอกกันในระวางคนเหล่านั้นกำลังขับรถวิ่งไปอยู่นั้นน่ะชื่อว่ากำลังเดินทางไปเชียงใหม่ใช่ไหมก็กไม่ใช่เพราะมไม่รู้จุดหมาย แต่คนที่เขารู้เส้นทางแล้วนะเขากำลังเตรียมรถและเขากำลังขับบางคราวเขาก็หยุดพักก่อนเห็นไหมก็เรียกว่าเขากำลังไปเชียงใหม่นะเพราะเขาไปได้ถูกแล้วเขาก็ดำเนินอยู่ใจเขาก็พวักพวงที่จะไปอยู่ใจเขาก็ผูกอยู่ในเรื่องตรงนั้นและเส้นทางเขาก็ตรวจสอบอยู่ทุกระยะนี้ไงพวกเราเป็นอย่างนั้นไหม เราปราถนาความพ้นทุกข์นะเออแต่ปฏิบัตาทางดาเนินไปสู่ความพ้นทุกข์มันมีอยู่ทางเดียวนะที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิบัติเนี่ยนั้นไอ้มัชฌิมาปฏิบัติเนี่ยจะต้องศึกษาเส้นทางให้ดีนะที่เราจะสามารถนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้ดําเนินไปสู่แนวทางที่ถูกต้องเป็นต้นได้นั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้ต้องการบอกพวกเราบอกว่าหนึ่งอย่าไปเข้าใจคําว่าปฏิบัติ คือการนั่งหลับตายอย่างเดียวดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นองคาประโยบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งและการนอนแต่โดยมากการนอนใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องให้เป็นระบบว่าเออจะนอนเวลาเท่าไหร่ตื่นเวลาเท่าไหร่นั้นก็กติกาก็ว่ากันไปแต่ระดับเส้นทางหรือข้อมูลในการปฏิบัติเนี่ยทีนี้ อีกอย่างหนึ่งบุคคลที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติได้รับผลดีเลิศเนี่ยแปลว่าอะไรบุคคลนั้นจะต้องมีความเข้าใจกุศลและอกุศลให้ชัดเพราะการปฏิบัติเนี่ยเป็นการเจริญกุศลใช่ไหมถ้าเราไม่เข้าใจว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ไอ้นี่เป็นปัญหาคือจะต้องเข้าใจกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบท ให้ชัดทะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมเวลาเราจะมาพื้ปฏิบัติกันเรามาสมาทานศิกขาบทเขาเรียกว่าสมาทานศีลพอสมาทานศีลเนี่ยเราก็บอกว่าปานาติปาตาเวรมาีสิกขาปะทางสมาธิยามิก็ว่ากันไปแต่ถามว่าพอสมาทานเสร็จแล้วแล้วอะไรเกิดอะไรเกิดพอสมาทานเสร็จแล้วเราบอกว่าเออนี่ศีลมีแล้ว เรื่เราจะรู้ได้ยังไงว่าศีลมีหรือไม่มีก็ต้องไปเข้าใจคำว่าศีลเนี่ยนะว่าตัวกุศลลศีลจริงๆหรือตัวกุศลเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาเนี่ยให้สังเกตว่าในระหว่างที่กุศลลศีลเกิดขึ้นมาในระหว่างนั้นอกุศลต้องไม่เกิดและในขณะเดียวกันก็สามารถปิดบาปทางกายกับทางวาจาได้จริงเห็นไหมหนึ่งกุศลเกิดที่จิต และในขณะเดียวกันก็ปิดบาปประกรรมทางกายกรรมและทางวจีกรรมด้วยพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาเนี่ยไม่เกลื่อนกลลไม่กระจัดกระจายไม่สั้นไปกับการเกี่ยวข้องกับบาปแล้วปิดบาปทางกายทางวาจาได้ไม่ใช่ปิดแบบการกด บ, รบังคับเครียดวิตกกังวลนะแต่เป็นไปกับสภาพจิตที่พองใสเห็นไหมว่าเมื่อกุศลเกิดขึ้นมากุศลก็จะปิดบาปทางกายและวาจา ก็จะสามารถควบคุมบาปทางกายกับทางวาจาได้จริงแปลว่าบาปทางกายก็คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการมใช่ไหมคําพูดที่จะเปล่งวาจาไปก็ไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวส่อเสียดไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวเพ้อเจ้อใจตอนนั้นเป็นกุศลก็คือมีคุณภาพจิตที่ไม่มีโทษจิตไม่มีของเสียอยู่เลยในนั้นจิตไม่อ่อนแอด้วยตอนนั้นจิตไม่หง้อยเหงาไม่เศร้าซึมไม่เครียดไม่กระด้าง ตอนนั้นจิตเป็นไปกับความสุขเห็นไหมคนมีศีลมีความสุขั้มมีไม่มี อ, อุปมาพระราชาปกครองประเทศราชเมื่อพระราชาเป็นใหญ่ปกครองประเทศราชมีกําลังทหารปิดชายแดนไว้หมดสามารถกําจัดศัตรูไม่ให้มาแพร่าพานไม่ให้มาปนสะดมในในประเทศนั้นได้ สามารถกำจัดกองโจรทั้งหลายที่จะมาทำลายมาบุกประเทศนั้นได้ถามว่าพระราชาที่ขึ้นปกครองประเทศแล้วมีกองกำลังของทหารปิดชายแดนไว้อย่างดีป้องกันศัตรูหมู่ร้ายจากแดนจากต่างประเทศทั้งหลายเข้ามาลุกรานได้พระราชานั้นจะมีความสุขหรือไม่มีมีไหมมีหรือไม่มีพระราชาต้องมีความสุขสิ เพมีทหารปิดตามพรมแดนไม่ให้อลีราศัตรูเข้ามาทําลายเข้ามาปล้นหรือเข้ามายึดประเทศของตนเองได้พระราชาก็ปกครองประเทศด้วยมีความสุขมีสมนัตจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีความสุขจะทําราชกิจใดๆก็มีความสุขชั้นใดคนที่มีกุศลศีลปิดบาปทางกายกับทางวาจาได้แล้วก็มีความสุขอย่างนั้นแหละ เพราะตนเองไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางวาจาเลยแม้คุณภาพจิตใจก็มีความสุขด้วยกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดแล้วไม่มีความสุขได้ยังไงเห็นไหมตอนนั้นคิดเมื่อไหร่คิดถึงศีลเมื่อไหร่ก็ปลาโมดคิดถึงศีลเมื่อไหร่ก็ปีติคิดถึงศีลเมื่อไหร่ก็มีความสงบคิดถึงศีลเมื่อไหร่ก็มีความสุขและสมาธิจะตั้งได้ไง่ายไหมกําลังของสมาธิก็จะตั้งมั่นได้ไง่าย เหมือนพระราชาประเทศไม่มีไม่มีสเตรูหมู้ายในแดนต่างๆเข้ามาโจมตีก็มีความสุขไปไหนก็มีความสุขอนาประชากล้าดก็มีความสุขใช่ไหมฉะนั้นเราลองดูที่เราสมาทานศีลกันหยอกๆเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วความสุขมันเกิดไหมเกิดไม่เกิดความสุขมันต้องเกิดสิ เพราะเราบาปทางกายกายเราก็สะอาดนี่เราไม่ได้ทําบาบนี่แม้ทางวาจาก็ไม่ได้ทําบาบนี่ฉะนั้นความสุขต้องเกิดขึ้นจริงปลาโมดต้องเกิดจริงๆคิดเมื่อไรก็มีความสุขไม่เศร้าส้อยเมื่อเหงาหงอยไม่งอกง่วงอิ่มเอมเปลม ป, ม ป, มปีเพราะมีความสุขจากการที่ตนเองได้มีได้การรักษาศีลคิดที่ไรก็ปลื้มใจเหมือนเวราชา คิดถึงประเทศที่ลาก็มีความสุขคิดเมื่อไรก็มีความสุขอาราชาที่ประเทศมั่นคงไม่มีความวิตกกังวลเลยคิดเมื่อไรโอ้โหอนาประชาราชก็มีความสุขเพราะไม่มีศัตรูจากประเทศต่างๆเข้ามาลุกลานเพราะป้องกันไว้ดีแล้วและเราล่ะเราให้ตัวเจตนาศีลคือความจงใจตั้งใจเนี่ยจะไม่ทาบาปทางกายและทางวาจา และในขณะเดียวกันก็มีความงดเว้นคือวิรัตเนี่ยคอยตัดบาปทุกเรื่องเลยเวลาบาปจะเกิดขึ้นมาก็ละบาปได้อย่างรวดเร็วเลยเรามีแบบนี้ไหมถ้ามีเนี่ยความสุขเกิดเอา้าดูพุทธพจน์หน่อยพระพุทธเจ้าบอกว่า สีเลปติดฐานานโรสปัญโยจิตตังปัญ ญ, ญัเจา้าพาวยังอาตาปีนิปโกภิกูโสอีมัง ว, วิชัตะเยชะตันตินรชนผู้มีปัญญานรชนก็คือพวกเรานี่แหละหญิงชายผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มาพร้อมด้วยปัญญาเกิดมาพร้อมด้วยปัญญามาพร้อมด้วยความไม่โลภความไม่โกรธมาพร้อมในปัญญาเป็นติเหตุกับปฏิสนธิ เอาแล้วมีปัญญามาตั้งมั่นมาตั้งมั่นด้วยศีลก็คือว่ามาสมาทานศีลมารักษาศีลทํากุศลศีลให้เกิดขึ้นในตั้งมั่นในกระแสะชีวิตอพอพตั้งมั่นในกระแสะชีวิตเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้แปลว่ากายไม่มีโทษวาจาไม่มีโทษพฤติกรรมทางกายทางวาจาไม่มีโทษแล้วเหลือปัญหาทางด้านจิตเมื่อตั้งมั่นในศีลแล้วก็จะได้เกิดปราโมดปิติแล้วเกิดความสุขมาอบรมจิต อบรอมจิตก็มาทําอุปจาระสมาธิอปนาสมาธิทำสมาบัติทั้งหลายให้เกิดขึ้นเอาเลยไหมพอทําอุปจารออปนาอุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิให้เกิดขึ้นให้มาตั้งมั่นขึ้นแปลว่าอะไรหนึ่งบาปทางกายกวาจานี่แปลว่าเอาศีลปิดได้หมดแล้วสองบาปทางจิตความพุกพ่าน มีการมฉันท่าความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นความเครียดความโกรธก็สมาธิปิดไว้ตั้งมัน่นเห็นไหมกายก็สะอาดจิตละ่ะจิตก็สะอาดจิตก็ตั้งมัน่นได้กําลังของสมาธิก็ใช้กําลังของศีลเป็นฐานของสมาธิและใช้กําลังของสมาธิที่อุปจาระอ ป, ปนาเป็นฐานของวิปัสสนาปัญญานรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลอบรมจิตคือสมาบัติ จเจริญวิปัสนาปัญญาเห็นไหมบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิงพิกเวบาเวถาสมาัตยตัวยะถาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิแล้วย่อมจะรู้ชัดทุกขสัจจะตามความเป็นจริงจะได้ไปรู้ชัดสมุทยัทยสัจจะตามความเป็นจริง จะได้ไปรู้ชัดนิโรธาสัจจะตามความเป็นจริงจะได้ไปรู้ชัดมรรคสัจจะตามความเป็นจริงเอาแล้ ว, วเนี่ยเห็นไหมว่าฐานจริงๆอยู่ตรงไหนที่เราจะมาฝึกในการเจริญกรรมาฐานศีลต้องดีไหมศีลต้องดีหรือไม่ดีศีลต้องดีเมื่อศีลดีแล้วตัวกุศลศีลจะเป็นปัจจัยต่อปลามโมดคิดทีไรมันอ่นใจ แล้วคิดทีไรก็ขนลุกขนพองอตื่นเต้นเพราะตอนเองไม่มีบาปเลยทางกายทั้งวาจาคิดทีไรก็สงบคิดทีไรก็จิตก็สุขสุ ข, สขล้นขึ้นมาสมาธิจะตั้งได้านเมื่อกําลังของสมาธิตั้งได้นี้แหละวิปัสสนาปัญญาจะมาต่อได้ยังไงก็อยู่ในขั้นตอนต่อไปนี่เป็นอย่างนี้นะนี่แหละคือว่าทําไมเราท่านทั้งหลายเนี่ย จึงต้องรู้ข้อมูลเพราะทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นบริบทเป็นเรื่องราวเป็นเหตุผลในการที่จะต้องมาเกี่ยวข้องทีนี้พอบอกว่าตั้งมั่นในศีลเนี่ยเห็น ไ, ไหมศีลก็ต้องบอกแยกเลยตัวเนี้ยแยกเป็นจารีตกับวารีตจาริตวาฤตตจาริตตาก็คือ จารีตประเพณีทั้งหลายที่พึงปฏิบัตินี่แหละวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่พึงปฏิบัติลูกปฏิบัติต่อพ่อพ่อปฏิบัติต่อลูกลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่พ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกนี่ตัว น, นี้ก็ต้องเป็นศีลเวลาปฏิบัติต่อการเนี่ยต้องมีทานกุศลไ ม, เเม่เกี่ยวข้องเห็นไหมเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับทานกุศลเกี่ยวกับให้และนี่แปลว่าเลยนั่นกําลังปฏิบัติในจารีตศีล ให้สังเกต ด, ดูนะบุคคลที่ปฏิบัติในจารี่ศีลเนี่ยว่าจะเป็นศีลหรือไม่เป็นวัดตรงไหนวัดว่าใจเป็นกุศลหรือไม่เป็นไม่ใช่ได้แค่รูปแบบบางท่านได้แค่รูปแบบเช่นท่านเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบเลี้ยงท่านอทรรมกิจธุระของท่านดํำรงวงตระกูลทำตนให้เหมาะสมท่ายแค่รูปแบบแต่เครียด อันนี้เขาเรียกว่าได้แต่ประเพณีแต่ไม่ได้จารีศีลไม่ได้ตัวกุศลศีลเป็นภรรยาปฏิบัติต่อสามีขยันไม่เกียดตค้าในกิจการทั้งปวงนจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีไม่นอกใจว่ั้นเถอะแล้วก็ขยันไม่เกียดติค้าในกิจการทั้งปวงเป็นต้นแต่เครียดทำหน้าที่้งความเป็นภรรยาแต่เครียด อันนี้ได้แต่ประเภนี้แต่ไม่ได้ศีลไอตัวนี้มันฐานพวกนี้ไม่ได้เพราะฐานพวกนี้ไม่ได้พอจะมาขึ้นสู่สมาธิขึ้นสู่วารตศีลขึ้นสู่จารีตศีลขึ้นสู่สมาธิขึ้นไม่ได้แล้วะตกลงเลยนะเพราะใจมันเสียสามีปฏิบัติต่อภรรยาเหมือนกันให้หมอบความเป็นใหญ่ให้ในบ้านเพราะงั้นเถอไม่ดูหมิน่น ไม่นอกใจใช่ไหมหาของที่ถูกใจทั้งหลายเลยนี้ให้ในการนันควรทั้งหลายเป็นต้นทำแต่ว่าเครียดวิตกกังวลบ้างงุดหงิดบ้างเห็นไหมมันได้แต่ประเพณีมันได้แต่วัฒนธรรมขนบคำเนียมประเพณีแต่มันไม่ได้ศีลเพราะกุศลศีลแปลว่าอะไรหนึ่งกายต้องสะอาดวาจาต้องสะอาดใจต้องสะอาด นี่ไม่สะอาดนี่ใจไม่เป็นไบกะกุลนี่เมื่อคุณภาพใจไม่เป็นไบกะกุศลเวลาจะมาเดินสู่วาริตาสีนงดเว้นจากการฆ่าก็ยังเป็นทุกข์อยู่ทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์นี่แหละแต่เป็นทุกข์ตนเองก็ไม่ได้ลักทรัพย์นะีแต่ใจก็เป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่ได้ประพฤติผิดในกรรมเนะี่ยแต่ใจเป็นทุกข์ตัวเองก็ไม่ได้พูดต่อเสียดคำหยาเพื่อเจอือแต่ใจก็เป็นทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์ พอมจะเจริญสมถวิปัสนาไปไ ป, ไปไม่เป็นอีกแล้วไปไม่เป็นอีกแล้วจิตมันเป็นทุกข์เดยไปทำงานอา้าวเราต้องทำงานนี่ใ่ไม่อยู่บ้านก็ทำงานจัดการงานไปนอกบ้านก็ทำงานเด่นมันเครียดเนี่มันได้แต่ประเภณ น, นี้ทำถูกต้องหมดหละขนมรำเนียมกติกาของสังคมทำถูกหมดขับรถก็ถูกกฎจราจรแต่ใจมันทุกข์ ใจมันทุกข์มันเครียดคนนั้นแซงคนนั้นตัดหน้าโกรธดา่าสินไม่ได้เลยทียเนี้ยได้แต่ประเพณีได้แต่วัฒนธรรมได้แต่กฎจราจรแต่ใจมันทุกข์เอาละเข้ามาที่โยพุตมาเจอระเบียบที่โยฟุตอีกใจมันทุกข์อีกตื่นตีสี่ถึงเวลาต้องเดินจองกรม ระเบียบเนี่ยไอ้ประเพณีที่ตั้งกันไว้นี่แหละมันทําถูกหมดเลยนะแต่เครียดเดี๋ยวก็เดินออกจากห้องเดี๋ยวก็กลับเข้ามาเดี๋ยวก็เดินออกจากห้องเดี๋ยวก็กลับเข้ามาใช่ไหมใจใจมันเป็นทุกข์อันนี้แปลว่าอะไรมันได้ระเบียบได้หลักการได้ได้ตัวประเพณีได้กฎบัญญัติได้กติกาที่วางกันไว้แต่ไม่ได้ศีล เพราะศีลมันเป็นเรื่องของกุศลที่เกิดในใจแล้วทำถูกต้องตามระเบียบกติกานั้นด้วยและมันจะไม่ทาด้วยความอึดอัดนะมันจะทําด้วยความสดชื่นล่าเลิงผ่องใสใจเบิกบานตอนนั้นหนึ่งใจไม่มีโรคใจไม่มีของเสียใจไม่เศร้าหมองใจสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วใจไม่โซ่ไม่เสื่อมไม่สุดเป็นใจที่แข็งแรงเป็นจิตที่ค่องแคล่ว เป็นจิตที่เป็นไปกับสมาธิเป็นกรรมนิย ะ, ะควรต่อการงานด้วยควรต่อการเอาไปใช้งานด้วยนะแล้วก็ใจเป็นไปกับสุขโสมนัสเป็นไปกับปัญญาด้วยถ้าอย่างเนี้ยคุณภาพใจอย่างนี้ถ้าปฏิบัติในศีลเขาเรียกว่าศีลปฏิบัติในทานเขาเรียกว่าทานเถ้าใจเป็นอย่างนี้นะเช่นออยอมสองท่านที่มาทําเมื่อสักครู่เนี้ยเอามาจําชื่อไม่ได้เสแล้ว มียอมผู้หญิงท่านหนึ่งยอมผู้ชายท่านหนึ่งเนี่ยที่มาถือพลานเนี่ยเข้ามาถวายตัววินสิตเนี่ยมาเห็นเออดีระเบียบทําได้ถูกต้องเลยนะเนี่ยน่าชื่นใจนี่น่าชื่นใจมากเลยแต่มาไม่ได้ถามว่าเ อ, อคุณภาพใจเป็นยังไงเอาระเบียบนี่ถูกแน่นอนเลยเนี่ยดอกไม้ก็งดงามด้วยมี ทานพุ่มเทียนแพ้ดอกไม้ถูกต้องเลยนะเนี่ยนี่ประเพณีถูกต้องกติกาถูกต้องหมดเลยแต่ต้องดูคุณภาพจิตตอนนั้นน่ทำแล้วในขณะที่ก่อนทำขณะทำหลังทำเนี่ยเป็นทานกุศลอย่างไงเป็นศีลกุศลอย่างไรทำไปแล้วเนี่ยคุณภาพจิตเนี่ยเ อ, อิบอิ่มพองแผ้วว่าเราเป็นตัวแทนของสิญญานุสิตอะไรก็ว่าไปเป็นตัวแทนของอุบาสกอุบาสิกาที่จะ ไปมอบตนกับพระพุทธเจ้ามอบตนก่อพระรัตนไตรประดุดดังเป็นตัวแทนของทุกคนด้วยของพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งตอนนี้ด้วยและเราที่เป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอวสิกาก็ชื่นใจด้วยว่าเราได้มอบอัตภาพคือร่างกายและจิตใจเนี่ยบูชาพระรัตนไตรจริงๆนะเออถ้าคิดอย่างนี้โอ้โหมันปราปลื้มกุศลก็เกิด เห็นทานกุศลของตนเองที่มีการถวายดอกไม้เห็นศีลกุศลของตนเองที่ทําตามประเพณีของอริยเจ้าที่ท่านทํากันแล้วเอามาละลึกให้ต่อเนื่องก็เกิดปราโมดปิติเป็นภาวนากุศลเกิดขึ้นเลยเห็นไหมทานศีลภาวนามันเกิดได้ในวัตถุชิ้นนี้นี่ในวัตถุสองชิ้นเนี่ยเอาเราเรามองมาว่ันไรตอนนี้ชื่นใจไหมะอะยมเนี่มองมาตรงนี้ยังชื่นใจอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหเราได้ทานกุศล เนี่ยได้ถวายเราให้ตัวแทนก็ไปถวายก็เหมือนเราถวายเลยอะ่ะกับไม้กับมือเลยว่างั้นเถอะเราได้ศีลกุศลด้วยเป็นประเพณีเป็นประเพณีเป็นวงตระกูลของอริยเจ้าทั้งหลายก็ทํากันอย่างนี้เป็นภาวนากุศลระลึกทีายก็ปราบปลื้มยินดีปลาโมดปีติจิตเป็นสมาธิเป็นาทานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลเดินได้จริงเป็นแบบนี้ไหม เป็นไม่เป็นถ้าเป็นเนี่ยอันนี้แปลว่าเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มเข้าสู่ร่องรอยของมรคคาของอริยเจ้าเส้นทางของพระอริยเจ้าอันนี้คาว่ามชิมาบริประทานเป็นแบบนี้นะถึงชั่วโมงเนี่ยเอา้าถามปัญหาเชิญนี่มีใครจะถามอะไรไหม เดี๋ยวยกมือนะคะให้ใหถา ม, ะมนะ<ห>เดี๋ยวจะ<ห>ได้เดี๋ยวจะได้ตอนประพฤติปฏิบัติกันจะได้ชัดเจนนะมีไหมมีใครจะถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละจะได้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันเอยญาติโยมฟังยากไหมฟังยากไหมเข้าใจยากไหม ยากใช่ไหมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังบ่อยๆบ่อยๆก็คุ้นการฟังอะไรแล้วเข้าใจยากเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเหตุผลก็คือว่าพอให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งเราฟังพระสวดภาษาบาลีใช่ไหมพระพระท่านบอกว่า ยังม่อาบัสตัเอวามสุตังเยกังสมัยังปากว่าบาราเสียงเวรติสิปตเนมิกตาเยตตตะโคปากว่าปัญจวักเยปิคูอามนติสิปตุติยอมก็ฟังไม่เข้าใจหรอกแต่ยอมชื่นใจได้ใช่ไหมแต่ฟังภาษาไทยเนี่ยเชื่อว่ายมเข้าใจมากกว่าภาษาบาลีั้งเยอะฉะนั้นจริงๆที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ไม่เข้าใจเข้าใจบ้างแต่ว่ามันไม่หมดใช่ไหมเออเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้า พูดตั้งแต่ต้นมาจนถึงทุปัจจุบันเนี่ยยอมบอกไม่เข้าใจสักคําเลยเนี่ยมาตกใจเลยนะถ้างั้นนะว่าจริงๆแล้วก็คือต้องเข้าใจนั้นเข้าใจท่า น, นเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจทําไมเอามาถึงขับเน้นเรื่องปัญญารู้ไหมเพราะปัญญานี่แหละเป็นทางรอดของของกระแสชีวิตของสัตว์โลกคําว่าพุท ธ, ธะนี่เป็นชื่อของปัญญานะ จำสังเกตด้วยนะว่าสัมโพธิสัมโพธิเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาเครื่องตัสรู้นั้นพุทเจ้าอุบตัตเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อปราถนาให้พุทธบริษัทของท่า น, นมีปัญญามีปัญญาเพื่อจะได้รู้ความจริงนั่นในพุทธศาสนาเนี่ยท่านขับเน้นเรื่องปัญญานขับเน้นเรื่องปัญญา เอาถ้าอามาเนี่ยจะบอกว่าเอายมนั่งกรรมฐานกันเลยวันนี้เดี๋ยวนี้นั่งกันเลยได้แต่ว่าอามาต้องการขับเน้นว่าหนึ่งให้เกิดความเข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยใชื่อไหมต่อไปยมไปนั่งกรรมฐานเนี่ยยมจะไม่มีปัญหาเรื่องฟุ้งเรื่องหลับจะไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้หรอกอายกตัวอย่าง บางคนนั่งกรรมาฐานเนี่ยเวลานั่งกำหนดปุ๊บบางทีก็มืดมืดมาแล้วบางทีก็บางทีก็มันเป็นอาการแบบมืดมืดบางทีก็อะไรก็วับวับวบัว้บบบบบบางสรารพาัดไปหมดเลยนะบางคนนั่งอยู่ก็เหมือนกับตัวเองบ้างตัวลอยบ้างตัวเบาบ้างบางคนตัวใหญ่ขึ้นบางก็มีเนี่ยนะ บางก็ตัวเล็กลงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นบางคนก็หนักบางคนก็สับประงกไปข้างหน้าบางคนก็พังหะมาข้างหลังบ้างเนี่ยถามว่าอาการเหล่านี้มันคืออะไรถ้าเราศึกษาต่อไปรับฟังต่อไปเราจะรู้ทันทีโอ้กิเลสทุกตัวมันสร้างนิมิตเหล่านี้ได้หมดเลยเช่นไอ้ตัวโลภะไอ้กลัวกามาฉันท์้าความติดใจใยกรสันมันก็สร้างนิมิตของมันมาได้ เพราะเกิดนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาปุ๊บปฏิบัติเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไปแก้ที่นิมิตมันแก้ที่จิตยังไงเออปรับที่จิตของตนเองแบบนี้ปุ๊บให้เป็นกุศลนิมิตเหล่านี้จะหายไปบางทีมันเกิดรูปภาพอะไรต่างๆที่มันไม่น่าปราถนาเกินมานืมืดทะมึงอยู่นั้นแหละเหมือนนั่งอยู่ในถ้ำแล้วมาแก้ที่จิตตนเองพอแก้แล้วไอ้ตรงนี้มันก็หายไปยังไงบางทีก็เกิดลักษณะงการ มืดสลึมสลือนั่งจิตใจก็ไม่สบายด้วยแล้วเห็นอะไรทีสลึมสลือไม่โปร่งไม่โล่งเลยเนี่ย น, นี่จะแก้ที่จิตยังไงไอ้ น, นี้มันเราก็รู้ทันทีว่าโอ้ไอตัวกามาชันทะก็ทําให้นิมิตเกิดได้โทสะพยาบาทก็ทําให้นิมิตเกิดได้ขดหู่ท้อถอยก็ทําให้นิมิตเกิดได้ ไอความฟุ้งซ่านทั้งหลายเห็นภาพอะไรต่างๆไปทั่วนึกถึงอดีตอะไรไปทั่วเนี่ยนิมิตเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะไอกิเลสตัวนี้เกิดรังเลสงสัยก็ทำให้นิมิตเกิดได้ไม่ยินดีในการปฏิบัติก็ทำให้นิมิตเกิดได้เห็นไมเห็นผิดบ้างเย่อหยิ่งถือตัวบ้างนิมิตต่างๆอีกมากมายเนี่นสิ่งต่างๆนี้แต่ถ้าเรารู้ปุ๊บมันเหมือนบอกว่า ขับรถไปเนี่ยไอตรงนี้มันมีหลุมมะตอนนี้ถนนไม่ดีในสายเนี้ยฉะนั้นเวลาขับมาช้าช้าแล้วประคองรถไปถึงหลุมตรงนั้นก็ได้เห็นทาง้วจะเลีเ้ยวขวาเลี้ยวซ้ายได้เหมือนกันเลยเหมือนกันกระแสชีวิตที่มีการประพฤติปฏิบัติเหมือนขับรถไม่มีผิดเลยอย่งเหมือนขับรถประคองไปให้ดีเพราะจะเข้าใจไหมทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่ว่า ไม่บอกเนี่ยมาลองลองนึกดูนะาามาแล้วก็มีพระช่วยช่วยถ้าถ้ามันนั่งการโดยไม่บอกข้อมูลก่อนแล้วก็ไม่สอบอารมณ์เนี่ยถามว่ า, ามาจะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนตั้งเยอะแยะเนีจะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากหลักการสอบอารมณ์ที่ถูกต้องจริงๆเขาไม่ให้สอบหลายคนด้วยเอาสิเนี่ยสมมุติมานนั่งเข้ามาทีละสามเนี่ย บอกหนึ่งเนี่ยอีสองคนก็ได้ยินซึ่งเป็นเป็นปัญหาคนละคนเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นฟางไปไดีเอาไปยึดติดไปอีกไปใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ยเข้าใจใช่ไหมหลักการเนี่ยมาทุกวันนี้ก็เลยเล่นสอบรวมสอบรวมแล้วก็ปัญหาเขาไม่การแก้ปัญหาก็ไม่ได้ค่อยถูกเข้าที่เรเท้าที่ควรด้วยเพราะปัญหาบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการปฏิบัติเนี่ยบางครั้ง นิมิตเกิดกับอีกคนคนหนึ่งเราไปบอกว่าเป็นนิมิตได้ไหมก็ไม่ได้บางคนบางคนถึงบอกได้ต่างหากนั้นครูอาจารย์ก็ต้องฉลาดในการที่จะแก้ปัญหาแต่ละบุคคลที่ในการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมอย่างที่เป็นต้นเออนี่บอกให้รู้ว่าเห็นไหมว่าทั้งหมดเหล่านี้ต้องการจะบอกพวกเราว่าการรู้รายละเอียดไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี อ้าวมีใครจะถามหีืยังตตวเนี้ยมีไหมอ้าวจะเริญพรโนโนนอยู่ข้างหลังนู่นก็จริงๆถ้าสงสัยอะไรถามเลยนะ เดี๋ยวต่อไปเวลาไปนั่งกรรมฐานไปประพฤติปฏิบัติกันแล้วจะได้ชัดเจนเนา ะ, ะ, นะการนมัสการกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะอยากจะเรียนถามท่านว่าในการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเนี่ยร่างกายเราต้องพร้อมก่อนหรือเปล่าคะคือสังเกตตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเวลานั่งสมาธิก็ก็จิตใจก็สงบดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเราเหนื่อยล้าจากการงานเนี่ยมันก็จะมีอาการสับปะงกอะไรต่างๆก็เลยอยาจะเรียนถามว่าทำเนียที่จะอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าว่าเราจะต้องพร้อมเรื่องกายเรื่องอะไรต่างๆใน<อ>การเติมตัวนั่งนะครับพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าอุชุงกายยังปณิทายาปริมุขขังสติงอุบัตเปธทวารตรงนั้นก็คือผู้ปฏิบัติเนี่ย ตั้งกายตรงคำคำนี้อ่ะอมความไว้เยอะท่านขับเน้นตัวรู ป, ปกายทั้งหมดฉะนั้นที่บอกว่าการการการที่บอกอูชุงกายยังคำว่ารู ป, ปกายทั้งหลายนี่นคือการปรับรู ป, ปกายทั้งหมดเลยฉะนั้นการปรับรูปขันและรู ป, ปกายทั้งหมดนี่สำคัญมากเลยการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นที่บอกว่าสปายะ ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นนะเนี่ยหอุตุสปายะคําว่าสปายะในที่นั้นเนี่ยก็หมายความว่าอุตุนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการต่อรู ป, ปกายได้และเป็นปัจจัยต่อจิตใจตนเองด้วย 2. อ, อาหารสปายะตัวอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปเนี่ยเป็นปัจจัยต่อรู ป, ปกายและเกื้อหนุนต่อการบําเพ็ญเพียรทางใจด้วยเห็นไหมอุตุและอาหารอาวาตอาวาศาสปายะ ที่อยู่อาศัยก็ต้องเป็นสปายะคือสะดวกต่อรูปกายและเป็นปั จ, จัยเกื้อหนุนต่อด้านจิตใจด้วยอบุคลคลครูอาจารย์ทั้งหลายที่มาบอกกรรมฐานก็ต้องเป็นบุคลาสปายะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในะบุคคลนั้นน่ก็เกื้อหนุนต่อการที่จะทำให้เรานั้นน่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นต้นด้วยโคจรสปายะอย่างนี้เป็นต้น การเดินทางทั้งหลายสรุปแล้วก็คือตรงเนี้ที่โยมกล่าวมานั้นน่ยอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยในวันแรกๆเนี่ยให้ปฏิบัติกันวันนี้จะหลับกันเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเราปรับร่างกายกันไม่ค่อยเปลี่ยนปรับไม่ค่อยเป็นโดยมากเป็นรารวะเนี่ยเราจะนอนไม่เป็นเวลากันสังเกตุไหมมาวันแรกๆเนี่ยถ้าให้นั่งกรรมฐานเลยวันนี้เลยเนี่ยโอ้โหโยมจะไปกันสารพัดเลย ก็หลับตาได้ไม่ถึง2นาทีแล้วยอมทั้งสับ ป, ประงกทั้งไรเนี่ยเพราะว่าหนึ่งยอมนอนไม่เป็นเวลาและคนส่วนใหญ่ก็นอนดึกนี่รู ป, ปรกายของโยมเนี่ยมีปัญหาเยอะนั้นต้องดูแลฉะนั้นถึงปรับว่าหนึ่งเราจะนอนไม่ให้ดึกเกินไปยังไงนะร่างกายให้มีการพักผ่อนให้ให้ให้ให้ให้พอสมควร 2 อ, อาหาร3อากาศนี่เป็นต้นเกื้อหนุนได้หมดเลยนั้นะสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้แต่การนั่งกรรมาฐานแต่ละครั้งนะการน่ที่พระเจ้าบอกว่าอุชุงกายยังก็คือว่าผู้ปฏิบัติตั้งกายตรงเนี่ยอันนี้คือการปรับรู ป, ปกายการปรับรู ป, ปกายก็คือว่าการนั่งเนี่ยมี3แบบคำว่าอุชุงกายยังในการขดขาเข้ามาเนี่ย ให้เป็นวงรอบเนี่ยหนึ่งถ้าแบบแบบอินเดียก็นั่งสมาธิเพชรหงายฝ่าเท้าขึ้นขาขัดกันหงายฝ่าเท้าขึ้นก็เห็นใช่ไหมนี่นั่งแบบสมาธิเพชรแบบอินเดียสองนั่งแบบไทยแบบไทยก็คือ น, นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างเงี้ยนี่นั่งแบบไทย สนั่งแบบพมา่าเรียงขาขาซ้ายอยู่ข้างนอกขาขวาอยู่ข้างในอย่างนี้เป็นต้นเรียงไว้กับพื้นขาแล้วก็เอาอะลรลองก้นให้สูงๆขึ้นหน่อยออนี่เรีก อ, อุชุงกายยังตั้งกายตรงออการนั่งเรียงข า, างจะได้ประโยชน์กว่าคือขาจะไม่ค่อยทับกันเส้นเอ็นก็จะได้ไม่หนีบทับไม่กดทับ แต่ถ้านั่งเรียงขามีปัญหาว่าจะต้องเอาอะไรลองลองส่วนก้นเนี่ยให้สูงขึ้นและการนั่งจะนั่งได้ทนการปฏิบัติก็จะสะดวกหลังจะตรงการนั่งในลักษณะอย่างนี้ทุกขเวทนาไม่ค่อยเกิดเป็นค่านั่งที่มั่นคงและการปฏิบัติก็จะสะดวกโดยเฉพาะจะมาเจริญอาณาปณสติอันนี้สำคัญแต่ถ้าหากว่าโยมที่มีสรีละที่ไม่ไหวแล้ว ก็ต้องนั่งเก้าอี้นี่แหละถูกไม่เป็นไรอันนี้แปลว่าร่างกายไปไกลแล้วก็นั่งเก้าอี้แต่เวลานั่งเก้าอี้ก็อย่าไปพิงพนักจนเกินไปไม่จะหลับง่ายต้องให้มีการพยุงหลังตัวเองด้วยตนเองบ้างถ้าลักษณะอย่างนี้จะจะสะดวกการปฏิบัติก็จะคล่องแล้วก็เป็นการปรับ เพเป็นการปรับรูปกระขนด้วยรูปกายด้วยคืออย่างนี้ว่ากระดูกข้อกระดูกสันหลังในสิบแปข้อต้องจรดกันและต้องตรงนะตั้งแต่เนี่ยกระดูกคอลงไปเนี่ยไล่ไปจนถึงกระดูกหลังสุดเนี่ยถ้านับไปเนี่ยเราจะเห็นว่ามี18ข้อ1 2ึ่งสอง้าหกถ้ากระดูกสันหลังของมนุษย์เนี่ยของใครโค้งงอเนี่ยระบบเลือดระบบลมทั้งหลายเหล่านี้ มันจะวิ่งไม่คล่องตัวแล้วมันจะมืนศรีรษะเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติมาจะมืนทีศ่ศีรระหนักหนักที่ศรีรษะเรื่อยอันนี้แปลว่ามีปัญหาที่กระดูกหลังที่กระดูกคอเอ่ออามาเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นพระด้วยกันเนี่ยต้องปรับหมดเลยไหนะต้องปรับถ้าเป็นย้อมผู้ชายที่สนิทในหน่อยมาก็จะบอกว่านี่คุณแก้ไขตรงนี้เรื่องกระดูกสันหลัง ไม่ตรงเนี่ยเวลานั่งเนี่ยหลังไม่ตรงมีปัญหาการปฏิบัติได้ไม่ทนแล้วสมาธิจะไม่ค่อยตั้งมั่นจิตจะกวัดแก่งนั้นเบื้องต้นจริงๆพระเจ้าสอนเรื่องการปรับรู ป, ปกายอุชงกายอย่างตั้งกายตรงเนี่ยก็คือว่าปรับรู ป, ปกายการปรับรู ป, ปกายทั้งหมดก็คือตั้งแต่ศรีรษะจริเท้าเนี่ยต้องใช้สมาธิไล่ค่อยๆปดส่วนที่ตึงส่วนที่เกร็ง ทุกส่วนของร่างกายทั้งหมดเนี่ยหลับตาค่อยๆไล่ลงมาจากศรีรษะจรดเท้าค่อยๆไล่ลงมาแล้วไล่ปรับจนร่างกายเนี่ยชัดเจนแล้วตรงไม่ตึงไม่ไม่เกร็งจนเกินไปแล้วต่อมาจึงมาเรื่องปัญหาของจิตใจเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่การนั่งกรรมฐานทุกครั้งจะต้องปรับอย่างนี้ทุกครั้งไม่ใช่อึดอักไปก็รีบปฏิบัติเลยรีบปฏิบัติเลยเนี่ยพังไปได้ไม่ดีงั้นทุกครั้งผู้ปฏิบัติ จะต้องปรับรู ป, ปากายให้ได้เหมาะสมศรีรษะตั้งยังไงก้มเกินไปไหมเงยหน้าเกินไปใช่ไหมเอียงซ้ายเกินไปหรือเปล่าเอียงขวาเกินไปหรือเปล่านะตรงนี้ต้องปรับให้ได้ทั้งหมดเลยต้องอยู่ในชุดที่ผ่อนคลายที่สุดอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดแม่ต้องไม่เกรงขาเอยมือเอย อวัยวะทุกสัสดส่วนในร่างกายทั้งหลายต้องไม่เกร็งต้องไม่เกร็งเห็นไหมนี่คือการปรับรู ป, ปากายนี่ก็คือท่านั่งพุทธเจ้าสอนท่านั่งตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าปริมุขขังสติงุปัฏฐเปเทวาเนี่ยดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเนี่ยอันนี้แปลว่าด้านจิตแล้วที่จริงอะก่อนจะปฏิบัติทั้งหลายเหล่านี้สังเกตดูนะว่า ทุกครั้งหลังจะปรับรู ป, ปรกายตับกลับกายได้หมดแล้วเนี่ยประการต่อมาก็คือตัดเครื่องกังวลตัดเครื่องกังวลทั้งหมดเลยนะกังวลเรื่องอะไรตัดวางให้หมดปล่อยวางให้หมดแล้วเตือนใจตัวเองแบบไหนสังขารทุกสังขารมันไม่เที่ยง วาระนี้ไม่ใช่วาระที่เราจะมาวิตกกังวลแล้วแต่เป็นเวาระที่เราจะมาเจริญกรรมฐานบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามพระธรรมประพฤติปฏิบัติดีตามปารียสงฆ์แล้วปราถนาความสิ้นทุกข์เราจะมาวิตกกังวลกับเรื่องแบบนี้ไม่สมควรแก่เราเลยเตือนใจตัวเอง่างนี้นะพอเตือนใจเบีดเสร็จแล้วพิจารณาเบีเสร็จ ถ้ามีเรื่องใดๆที่มันสะหัสสาการเกินไปก็บันทึกปล่อยทิ้งไปเลยถ้าไม่มีก็ตัดปล่อยวางแล้วก็หลังจากตัดเรื่องวิตกกังวลเวทเสร็จแล้วต่อมาก็เหนลึกถึงพระดํารัสกับว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าสมาทิงพิกเวบาเวถาสมาตัวยาถาภูตังประชาาติเป็นต้นเนี่ยบอกว่าดูก่อนพิกษัทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด ดูก่อนภิกษุนี้ดูก่อนอุบาสกดูก่อนอุบาสิกาคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเขาท่านยกเอาภิกษุเป็นประธานในเมื่อกล่าวถึงภิกษุเชื่อพุทธบริษัทที่เหลือกล่าวหมดแล้วแต่พุทธพจน์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด อ, อันนี้แปลว่าบริษัทสต้องเจริญสมาธิด้วยภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัด ตามความเป็นจริงต้องบอกว่ารู้ชัดอะไรไเห็นไหมถ้าจิตไม่ตั้งมั่นด้วยอุปจาระและอัปนาสมาธิจะไม่สามารถน้อมจิตไปรู้ชัดสัจจะตามความเป็นจริงเป็นต้นได้เลยเชื่อไหมเราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมยอมเชื่อไหมเชื่อพระดํารัสของพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าเชื่อหรือไม่เชื่อ นั้นพระาำรสของพระเจ้าต้องถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วก็ต้องเจริญสมาธิตามที่พระเจ้าว่าเพราะพระเจ้าบอกว่าสมาทิงพิขเวบาเวถาสมาัตยตัวยถาปูดังประชานาติเนี่ยบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิคําว่าจงเนี่ยเป็นอนัตอนัตติเนี่แปลว่าคําสั่งแปลว่าคําสั่งว่าจะปรารถนาอยากจะรู้ชัดทุกษัตริย์ตามความเป็นจริงใช่ไหม ปรารถนาจะรู้ชัดสมุทรยศสัจจะตามความเป็นจริงปรารถนาจะรู้ชัดนิพพานตามความเป็นจริงปราปรถนาที่จะรู้ชัดมรรคสัตต์ตามความเป็นจริงปรารถนาจะพ้นทุกข์เธอจงเจริญสมาธิเธอจงเจริญสมาธิแอจําจไว้นะนี่เป็นพุทธดำหลดัดที่พุทธบริษัท ต, ต้องรับไว้ใส่กล้าวใส่กระหม่อมเอามาเทิดทูลให้เชื่อมัน่น ว่าพระตำหลัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีผ้าหมากุณนาที่คุณต่อเราว่าเออเราปรารถนาจะพ้นทุกข์เมื่อปรารถนาจะพ้นทุกข์เนี่ยตอนนี้พ้นไม่ได้เพราะจิตไม่มีสมาธิเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิไม่ตั้งมั่นด้วยอปนาสมาธิจะไปรู้ชั้นรู้ชัดทุกข์ไม่ได้รู้ชัดเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้รู้ชัดความดับทุกข์ก็ไม่ได้ รู้ชัดข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ก็ไม่ได้เอาละนี่ก็เชื่อมัน่นเอาเพราะเชื่อมั่นแค่นี้ยังไม่พอก็นึกถึงพระดำรัสต่อไปพระเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วย่อมยังบาปอากุศลธรรมอันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปโดยพัน เหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นให้สงบอย่างรวดเร็วฉันนั้นทีนี้เอาแล้วนึกถึงพระดำราดก็ชื่นใจโอ้เราจะเจริญอาณาปานสติสมาธิก็คือการมีสติในการระลึกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกระลึกถึงความตั้งมั่นในลมหายใจเข้าลมหายใจออก พระเจ้าบอกโสสโตวะปัสสติสโตวะอสสติเธอมีสติหาย ใ, ใจออกมีสติหาย ใ, ใจเข้าเอาละสิทีนี้อุปกรณ์ในการที่จะเจริญอาณาปณะเจริญสมาธิเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยปกติเนี่ยมนุษย์มีกันอยู่แล้วคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะยืนก็มีลมเข้าลมออกจะเดินก็มีลมเข้าลมออกจะนั่งก็มีลมเข้าลมออกใช่ไหม แม้จะนอนหลับก็ยังมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเช่นั้นไม่ต้องสร้างไม่ต้องปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเพราะมีอยู่แล้วในกระแสะชีวิตของทุกชีวิตเมื่อธรรมชาติของลมเขามีอยู่แล้วเพราะลมเป็นจิตแต่ชรูปรูปที่เกิดจากจิตอยู่แล้วเมื่อจิตยังดําเนินเป็นไปอยู่ในกระแสะชีวิตใดลมหายใจก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกในปลายจมูกในในใน โ, ในโในพรงจมูกของแต่ละบุคคลนี่แหละ เอาแล้เราก็มีจมูกหายใจเข้าหายใจออกอ๋อเราเนี่ยมีชีวิตผ่านมาอย่างยาวไกลแต่เราไม่เราไม่เคยรู้เลยเราไม่เคยรู้ลมยอมนั่งนั่งอยู่เนี่ยยอมไม่เคยรู้เข้ารู้ออกนะเนี่ยล้วเราเราสังเกตุไหมที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยรู้เข้ารู้ออกเลยใช่ไหมรู้ไหม เราไม่ค่อยได้ใส่ใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเลยแล้วก็ปล่อยเฉยๆอยู่เนี้ยดูที่หายใจทิ้งไปแต่วันๆลังคิดดูสิโอ้เสียหายมากเอาละแล้วก็มานาัสสิการว่าต่อไปเราจะรู้จักลมเราจะรู้จักลมเราจะมีสติหายใจออกจะมีสติหายใจเข้าที่ว่าปริมุขังสติอุปเตวาก็คือมีสติ ตั้งมั่นอยู่ที่พระ ก, กรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จริงคำว่าปริมูขังเนี่ยแปลว่านำออกก็ได้นำออกจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์คือราคะโทสะโมหะที่มากุ้มรุมอย่กจิตก็ได้เอาละตอนนี้ก็คือสรุปก็คือว่าตรงเนี้ย อีกอย่างหนึง่งถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องพระเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องเนอาณาปานาสติเนี่ยเป็นตถาคตวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระุทเจ้าเป็นพรห ม, มวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรหมและอาณาปานสตินี้เป็นอริยวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพร ะ, ะ อ, าาาาอริยรเออเห็นไหมว่าเอาละตอนนี้เราไม่มีเครื่องอยู่นะ เราจะ ท, าะทําวิหารธรรมกล่าวคือการอานาปนสตินี่แต่เป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ยอมรู้ไหมว่าอานาปนสติสมาธิเนี่ยเหมาะแก่คนประเภทไหน 1. คนวิตกจริญคนที่คิดมากๆทั้งหลาย เ, ยเหมาะแก่การเจริญอนานาปนสตินี่สงกล่าวไว้ยิ่งนนะสองโมหะจริต คือคนที่มักไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยมีปัญญารู้ทั่วถึงเป็นต้นเห็นไหมยิ่งเจริญอาณาปณสติไปแล้วนะเข้าเนี่ยตัวสติและตัวสัมปชัญญะจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นแก่กล้ามากขึ้นสติและปัญญาจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นจากการที่ไม่ฉลาดความฉลาดก็จะเกิดขึ้นจากการที่หลงลืมสติสติก็จะมีความตั้งมั่นมากขึ้นจากการที่ศรัทธาต่ำศรัทธาก็จะมีกาลังมากขึ้น สติอ่อนแอสติก็จะมีกําลังมากขึ้นสมาธิอ่อนแอสมาธิก็จะมีกําลังมากขึ้นความเพียรอ่อนความเพียรจะมีกําลังมากขึ้นปัญญาที่ไม่ค่อยดีก็จะมีปัญญาค่อยๆมากขึ้นนี่อาณาบรรณสตินี่เป็นตัวเพิ่มอินรีห้าพละาห้าโพาชงเจ็ดด้วยเนี่ยจึงเหมาะหมดเวลาหรือยังเหลือเวลาตอนอ้าวมีใครถามอะไรไหม อ่าเจริญพรเอาเรีบถามนะเอาใครจะถามรีบถามเลย กับนวัต ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะคือสงสัยว่าอุปจารสมาธิกับอับอปปนานนี้คืออะไรแล้วก็อินซีห้าคืออะไรค่ะ <c oughs> เออดีถามได้ดี คอยอมถามบอกว่าอุปจารสมาธิและอปะนาสมาธิคืออะไรที่จริงที่จริงพอพูดพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้นึกถึงว่าในชั้นของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ระดับของสมาธิก็คือสมาธิจริงๆมีอยู่สามระดับนะโยมนะ ที่จะต้องมาฝึกเนี่ยระดับแรกเขาเรียกขณิกาสมาธิขณิกาสมาธิก็แปลว่าสมาธิชั่วขณะเป็นสมาธิขั้นต้นเป็นซึ่งคนทั่วไปเนี่ยใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่การงานในชีวิตประจำวันที่ได้ผลดีและใช้เป็นจุดตั้งต้นในการเจริญวิปัสสนาปัญญาเขาเรียกขณิกาสมาธิ เป็นสมาธิชั่วขณะสมาธิเล็กน้อยแต่คําว่าคณิกาสมาธิในที่นี้อเป็นสมาธิที่เกี่ยวข้องกับการที่จิตนี้เริ่มตั้งมั่นในระดับแรกๆแต่ตั้งมั่นชั่วขณะหนึ่งๆนะขณะหนึ่งๆอันนี้คือคณิกาสมาธิสมาธิชั่วขณะหนึ่งๆอันนี้เป็นสมาธิขั้นต้น บางทีเขาก็เรียกว่าบริกรรมมาสมาธิสมาธิในชั้นของบริกรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ามูลสมาธิเป็นสมาธิต้นเขาหรือสมาธิขั้นมูลขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนทั่วๆไปใช้สมาธินี่ในการให้ทานในการรักษาศีลไงใช่ไในการปฏิบัติสิ่งที่ดีๆงามๆทั้งหลายอย่านี้เป็นต้น แต่ น, นี้แหละเป็นจุดเบื้องต้นของการเจริญวิปัสนาได้แต่ต้องมีฐานสมาธิที่เป็นอุปจาระและอภปาอนากรประการที่สองเมื่อสักครู่ยอมถามว่าอุปจาระสมาธิเขาแปลว่าสมาธิที่เฉียดเฉียดหรือสมาธิที่จวนจะแน่วแน่สมาธิที่จวนจะแน่วแน่เนี่ยก็คือเป็นสมาธิขั้นระงับนิวรณ์ได้ระงับความติดใจไฝกระสันได้ ระ ง, งับความพยาบาทความที่จิตกระทบกระทั่งนั้นนี้ได้ระ ง, งับจิตหดโหูดได้ระ ง, งับจิตที่ฟุ้งซ่านได้จิตที่ลำคาญใจได้ระ ง, งับจิตที่มืดบอดนี่เป็นต้นได้นี่เ้าเรียกอุปจารสมาธิสมาธิาธจวนจะแน่วแน่สมาธิที่เป็นเบื้องต้นหรือเป็นปุปรภาสั์จริงๆท่านใช้คาว่าปุรภาของฌ า, าน ส่วนประการที่สมเรียกว่าอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิแน่วแน่เออแน่วแน่ในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นสมาธิที่แนบสนิทเป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งในฌานทั้งหลายถือว่าเป็นผลสําเร็จตามที่ต้องการของการเจริญสมาธิเออสมาธิในสามระดับเนี่ยมีกล่าวถึงบ่อยนะในการเจริญกรรมฐาน และที่มีกําหนดค่อนข้างชัดเจนก็คืออุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็คือว่าเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะสามารถละนิวรณ์ละกามาชันท้พยาบาทที น, นมิท้าอุทธจั ก, กุกุจาวิจิกิจฉาก็คือละกลุ่มความติดใจฝ่ายกสันที่เรียกว่ากามาชันท้ได้ละพยาบาทก็คือจิตกระทบกระทั่งนั้นหงุดหงิดฟุ้งซ่านเป็นต้นได้ ละจิตหดหู่ท้อถอยเป็นต้นได้ละจิตที่พุ้งซ่านลำคาญใจเป็นต้นด้วยคือเป็นเป็นสมาธิในชั้นของการที่ อ, อุปจาระนี่ขั้นระงับนิวรถ้าอภัณนาก็เป็นสมาธิที่ถึงฌานทีนี้คำว่าขั้นกันสมาธิและมูลสมาธิเนี่ยอันเดียวกันก็แปลว่าเป็นสมาธิขั้นมูลสมาธิเบื้องต้น หรือสมาธิต้นเขาเป็นเบื้องต้นเลยและบริกรรมสมาธิเป็นสมาธิขั้นตระเตรียมหรือขั้นลงมือทํเนี่ยเริ่มลงมือทํเนี่ยเาเรียกขั้นิกาสมาธิขั้นตระเตรียมขั้นลงมือทาแล้วทีนี้มูลสมาธิหรือขั้นิกาสมาธิเนี่ยเอายกตัวอย่างอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุเพราะฉะนั้นแลภิกษุเธอพึงศึกษา อย่างนี้ว่าจิตของเราจากเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีในภายในหรือดำรงแนวอย่างเป็นอย่างดีในลมหายใจนี่แหละจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีในภายในคือลมหายใจเป็นต้นและทำทั้งหลายที ok ่ชั่วร้ายที่เป็นอกุศลจักไม่เกาะคุมจิตตั้งอยู่ได้ดูก่อนภิกษุเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ เธอทั้งหลายพึงฝึกฝนเพียรพยายามอย่างนี้เธอทั้งหลายพึงขมักขม่นเพียรตั้งสมาธิในระดับนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นเขา้าใจยังเออแบบบอกแบบนี้คำว่าสิกขิหรือสิกขาเนี่ยพึงศึกษาเนี่ยมาจากคำว่าวายามติแปลว่าฝึกฝนเพียรพยายามแปลว่าขมักขม่นก็ได้ฝึกฝน ที่จะทำให้สติตั้งอยู่ที่ลมเข้าและลมออกฉะนั้นการที่ตั้งมั่นอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วตอนนั้นจิตตั้งมั่นได้คู่หนึ่งตอนนั้นบาปอกุโสแลธรรมมันชั่วร้ายคือความกำหนัดความขัดเคืองความหดโูความฟาุ้งซ่านความลังเลสงสัยเป็นต้นไม่เกาะกลุมจิตตั้งอยู่ตอนนั้นแหละได้แล้วคณิกะคณิกาสมาธิ นี่เป็นสมาธิชั่วขณะทีนี้พ อ, อ, อสามารถกำจัดอกุศลที่เกาะกลุมจิตตั้งอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วพุทธเจา้าบอกเมื่อใดแล้วจิตของพวกเธอเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแนวเป็นอย่างดีในภายในคือดูลมหายใจเข้าออกแลวตั้งมั่นเป็นอย่างดีในภายในแล้วและทำทั้งหลายที่ชั่วร้ายคือความติดใจไฝ่กสั์ไม่เกาะกลุ้มจิต ความพยาบาทไม่เกาะกลมจิตความหดหูไม่เกาะกลมจิตความฟุ้งซ่านไม่เกาะกลมจิตความลังเลสงสัยไม่เกาะกลมจิตตอนนั้นนะได้แล้วนะเธอทั้งหลายพึงขมักคำเมนพึงเพียรพยายามพึงฝกักฝนฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆทําให้ต่อเนื่องเมื่อนั้นเธอพึงขมักคำเมนฝึกฝนว่าเราจักจเจริญจากทําให้มาก ซึ่งอาณาปานาสติซึ่งเมตตาก็ว่าไปแล้วแต่เราจะเดินกรรมฐ า, านอะไรนะตอนนี้เราจะทำให้มากเราจะฝึกฝนเราจะเพียรพยายามเราจะ ข, ม, ขมักขมแน่นเราจะทำให้เป็นเราจะทำให้มากซึ่งอาณาปานาสติทำให้เป็นดุจยานนะถ้าไม่เป็นดุจยานดุจยานก็คือดุจรถนี่แหละที่เรานั่งบนรถแล้วมันจะพาเราไปได้ไหมเออเนี่ยเหมือนกันเราจะฝึกฝนจะเพียรพยายามจะขามักขมแน่นเนี่ยก็ะจะ จเจริญอาณาปณะสติทําให้เป็นดุจยานทําให้กําลังของสมาธินั้นมีการแล่นไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อใช่ไหมจะไม่หยุดเพียงแค่นั้นทําให้เป็นดุจยานแล้วก็ทําให้เป็นที่ตั้งอล้วจะให้ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้แหละให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทําให้สําเร็จให้ได้เป็นอย่างดีบอกว่าเธอทั้งหลาย พึ่งฝึกฝนเพียรพยายามขมั ก, ข ม, กขม้นอย่างนี้แหละอันนี้เรียกอุปจารละสมาธิเห็นไหมที่แรกเป็นคณิกะชั่วขณะพัฒนาต่อมาเป็นอุปจารละอันนี้แปลว่าบาปอกุศลธรรมันชั่วร้ายเนี่ยสงบระงับแล้วไม่ถูกลบกวนแล้วกิเลสไม่เข้าไปกุ้มลมเลยเอา้าหยุดอยู่แค่นั้นไหมไม่หยุด เมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอได้เจริญได้ทําให้มากแล้วเมื่อใดแลอุปจารสมาธิสมาธิที่จวนเจริวแน่เธอได้ทําให้มากได้เจริญได้ฝึกฝนได้ทําให้มากแล้วเมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ให้พัฒนาตัวต่อไปจากอุปจารสมาธิ ให้เข้าถึงอปปนาสมาธิเมื่อเข้าถึงอปปนาสมาธิตอนนั้นเธอจะได้อย่างปฐมวชานเป็นต้นให้เกิดขึ้นที่จะมีทั้งวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนี่ยเป็นธรรมที่มีความสงบมีความแน่วแน่ในธรรมภายในตอนนั้นก็จะสามารถละ ง, งับนิวรธรรมได้อย่างชัดเจนเลยพอจะมองเห็นไหม เห็นไหมจากขั oa, zept, Tonight, field, um ้นตอนจะตามดับหนึ่งขณิกะทำยังไงพัฒนาสู่อุปจาระพัฒนาสู่อปนาสมาธิอ้าวใครจะถามเรากรบนมรสการเจ้าค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเป็นเป็นโชคดีของของโยมที่ได้ได้เข้ามาปฏิบัติในครั้งนี้ค่ะเพราะว่า เรื่องของการทําสมาธิเนี่ยเป็นปัญหาในการปฏิบัติของโยมมาตลอดเจ้าค่ะมีความข้องใจอยู่หลายประการสงสัยหลายประการแล้วก็การปฏิบัติก็รู้สึกตัวไม่ค่อยก้าวหน้าเจ้าค่ะประการแรกก็คือว่าการทําสมาธิจําเป็นไหมเจ้าค่ะแต่แต่เท่าที่ได้รับฟังจากพระอาจารย์ที่ผ่านมาก็คือว่า ในอิริยาบถต่างๆก็ทำได้ใช่ไหมเจ้าค ะ, ะแต่ว่าเท่าเท่าที่สังเกตดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มังจะเน้นอิริยาบถนั่งคะ่ะทีนี้ถ้าอิริยาบถอื่น เ, เกิดมาเกิดสมาธิก็คงเกิดได้จริงๆนะเจ้าคะแต่โยมมีความสงสัยว่าถ้าเป็นอิริยาบถอื่นเนี่ย ขณะที่เรากำลังเดินเราจะต้องอยู่อารมณหายใจหรือเปล่าเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นคำถามแรกเจ้าคะ่ะเออตรงนี้ต่อประเด็นนี้คือว่าจริงๆการเจริญสมาธิเนี่ยเอียบทที่จะทำให้สมาธิเกิดได้ดีที่สุดก็คือเอียบวนั่งนี่ถูกต้องเจ้าคะ่ะที่ไทย ท, ที่พุทธพจน์ที่ใช้คำว่าอุชุงกายังปณิทายปริมุ ข, ขังสติงปุปทะเปทวาเธอดูก่อนภิกษุหลางหลายว่าภิกษุเนี่ยบอกว่าตั้งกายตรง ดำรงสติให้ให้ตั้งมั่นที่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยคำว่าตั้งกายตรงเนี่ยแปลว่าตั้งกายส่วนบนให้ตรงขาขดเข้าหากันเนี่ยเป็นวงล้อมเนี่นี่คือเอียบวดนั่งนี่เป็นท่าที่เหมาะสมแกการที่จะฝึกสมาธิมากที่สุดทีนี้ประเด็นต่อมาที่ยอมบอกว่าอียบวดอื่นก็สามารถจะทำสมาธิเกิดได้ใช่ไหมบอกใช่ แต่ว่าไม่มั่นคงเท่ากับเอียบทนั่ง <Okay. S 1> นะต้องบอกอย่างนั้น <Okay. S 1> ทีนี้ถ้าถามว่าถ้าบุคคลที่ต้องการจะเจริญอาณาปานสติสมาธิให้ได้รับผลอย่างแท้จริง <Okay. S 1> วิธีการง่ายง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผลเร็วที่สุดก็คือดูลมหายใจทุกเอียบท คำว่าดูลมหายใจทุกอยาบทก็คือไม่ว่าเราจะไปเดินจงกลมก็ให้รู้เข้ารู้ออกแทนที่เราจะไปดูที่ขาดูที่ท้องดูที่อะไรตัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปให้รู้เข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกอาจจะรู้หยาบๆก็ได้นะท่านใช้คําว่าเหมือนแม่โคและเหลียมยาตาชมเลืองดูลูกน้อยไหมเหมือนแม่โคเป็นห่วงลูก เป็นห่วงลูกปากก็กินหญ้าแต่ตาก็แอบชำเลืองดูลูกน้อยจะเป็นอันตรายหรือไม่ฉะนั้นแม้จะไปอยู่ในยาบวชยืนในยาบวชเดินและยาบวชนอนก็ให้ดูลมอย่างต่อเนื่องให้รู้เข้ารู้ออกเอาทําไมต้องทําอย่างนี้ต้องถามเหตุผลด้วยไม่ใช่ให้ทําให้ทําแต่ไม่รู้เหตุผลคือการเจริญกรรมฐานโดยเฉพาะการเจริญอาณาปณะสติหรือเจริญกรรมฐานใดก็แล้วแต่ ฉะนั้นจะต้องฝึกความคุ้นเคยกับลมเชื่อไหมว่าชีวิตของพวกเราที่เกิดกันมาเนี่ยหลายคนบางคนก็เจ็ดสิบขวบและ6หกสิบขวบ5้าสิบขวบสี่สบขวบว่าไปเหอะส0มสิบขวบเราโดยส่วนใหญ่เราไม่รู้ลมออกลมเข้าอันนี้คือปัญหาฉนั้นกระแสะชีวิตของเราความคิดของเราไม่คุ้นเคยกับลมเลย บางที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราปล่อยหายใจทิ้งไปวันวสักได้ ว, ว่าหายใจทิ้งไปวันวันเราไม่รู้เข้ารู้ออกทีนี้การรู้เข้ารู้ออกเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้คุ้นเคยกับลมทีนี้ถามต่อไปว่าเมื่อฝึกจิตให้คุ้นเคยกับลมแล้วจกได้อะไรเมื่อฝึกจิตคุ้นเคยกับลมแล้วเมื่อจิตนั้นเป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยต่อไปจะทําให้ศิกขาสามเด่นชัดขึ้น คือสติที่ระลึกตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าและหายใจออกนั้นจะสามารถปิดบาปอากุศลธรรมอลามกทั้งหลายไม่ให้ไหลเข้าสู่จิตได้ต่อไปพวกนิวรณ์ทั้งหลายคือความติดใจฝ่ายกสันความพยาบาทความงดหนิดความหดถู่ท้อถอยความหงดหนิดความฟุ้งซ่านลาคาญใจและความลังเลสงใจ ความลังเลสงสัยทั้งหลายจะไม่หมุนเข้าสู่กระแสจิตเพราะสติเป็นคนตัวปิดกั้นเขาไว้และความเพียรก็จะประครับประคองจิตให้อยู่กับลมคอยละบาปอย่างต่อเนื่องสติกับความเพีย ر น, นั้นท่านเรียกว่าสีละสังวร น, นี่ศีลเกิดขึ้นสมาธิที่แนบชิดติดกับลมอย่างต่อเนื่องตลอดสายอันนั้นเรียกว่าอาทิจิตตสิกขา อาทิอทิจิตสิกขาคือเอกคตาวิสมาธิปัญญาที่รู้ชัดตลอดสายลมหายใจเข้าเรื่องลมหายใจออกนั่นเรียกว่าอาทิปัญญาสิกขาเห็นไหมว่าอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาจะเด่นชัดขึ้นเมื่อเราคุ้นเคยกับลมแต่ถ้าหากจิตเราไม่ฝึกจนเกิดความคุ้นเคยกับลมตั้งมั่นกับลมแล้วที่สุดจริงๆสิกขาสามจะไม่ชัด ก็เราจะมาปฏิบัติในพระศาสนาของพระชินาเจ้าก็คือมาฝึกเจริญไอสิกขาสามนี่แหละให้เจริญขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำศีลสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูญ ย, ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือตัวศิกขาสามนี่แหละคือตัวอริยมรรคนี่แหละตัวมรรคขจิตตัวมรรคองแปดขยายเป็น8ปดแล้วจะอยู่แค่สมก็ว่าไป นี่ไงว่าตัวสิกขาสามนี่แหละเบื้องต้นเราไม่รู้จักเลยเพราะอะไรจิตเราฟุงา้งซ่านเพราะอะไรเพราะจิตไม่เป็นสมาธิแต่ที่สุดจริงๆเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วตัวสิกขาสามจะเด่นขึ้นนี่คุณเคยกับลมอย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือว่านี้ว่าดูลมได้ทุกียาบทไหมทุกียาบททาได้ยิ่งดีนี้ก็เหมือนกันว่าในคอร์สการอบรมนี้ ก็จะต้องให้พวกเราฝึกแบบนี้แหละไปยืนไปเดินไปนั่งแม้ไปนอนก็ให้ดูลมและแม้กินอาหารไม่ใช่กินแต่อาหารกินด้วยชมเรลืองดูลมเข้าและลมออกไปด้วยและต่อไปจะปร ะ, ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเจ้าค่ะ ข, ขออนุ ญ, ญาตถามต่อนนะเจ้าค่ะที่ว่า หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะเจ้าคะ่ะแล้วก็ท่านบอกให้ดูลมตลอดเนี่ยเจ้าคะ่ะให้รู้ตลอดสายการรู้ลมหายใจที่ว่าเนี่ยเจ้าคะ่ะรู้อย่างไงเจ้าคะ่ะคือต้องต้องรู้ลักษณะของมันด้วยรู้ว่ามันเป็นยังไงมันร้อนหรือมันเย็นหรือว่า เ, ออเห็นว่าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นยาวก็ให้รู้ว่ายาวคือคืออยากจะทราบลักษณะของอาการรู้ว่าเจ้าค่ะ ้ถ้าตามตลอดที่ว่าน่นนะตามอย่างไรจึงบางคนเขาบอกว่าถ้ามันเพ่งมากเกินไปมันก็จะแข็งตัวมันก็จะมันมันจะกลายเป็นออใช้ไม่ได้อะเจ้าค่ะขอขอาการาบวัส ก, การ์าเออในกรณีงการรู้เนี่ยขั้นตอนเบื้องต้นยิงพระเจ้ากล่าวถึงโตสโตวปัปสติสโวสตวัอสติที่บอกว่าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า ก็คือผู้ปฏิบัติก็คือว่าในการเจริญอาณาปณสติเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรู้ลมเข้าและลมออกทีนี้ลมเข้าและลมออกเนี่ยคำว่ารู้ตลอดในที่นี้คำว่ารู้เนี่ยแปลว่าหนึ่งรู้ที่จุดกระทบในคนแต่ละคนเนี่ยจุดกระทบที่ลมกระทบเข้ากระทบออกนั้นไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยจะหมูกยาวบางคนก็จะหมูสั้นใช่ไอคนที่สมูสั้น คนที่จมูกยาวเนี่ยบางคนก็กระทบที่รอบๆ ร, บรูจมูกหรือปลายจมูกบางคนก็กระทบที่ริมพิปากเบื้องบนใครสังเกตอยู่อย่างนี้นะทีนี้วิธีการกําหนดเนี่ยหนึ่งดูนะที่ลมเข้าและลมออกและที่จุดกระทบเท่านั้นประเด็นเมื่อสักครู่บอกว่าเราเพ่งที่จุดกระทบอย่างเดียวได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้ การดูที่จุดกระทบอย่างเดียวและการไปดูร้อ น, อนดูเย็นยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะกรรมถานมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างร้อนและเย็นไม่ใช่ลมอันนั้นเป็นธาตุไฟหนักก็ดีแข็งก็ดีอ่อนก็ดีเบาก็ดีอันนี้เป็นธาตุดินอาการเย็นและร้อนเป็นธาตุไฟอาการผักอาการพยุงเป็นธาตุลมไหลและก่ะกลมนี้เป็นธาตุน้า อานาปนาสติไม่ใช่ดูธาตุกรรมาฐานดังั้นถ้าดูธาตุถ้ า, าไปแปลสภาพจากอานาปนะอานาปนะคือลมเข้าลมออกฉะนั้นการดูลมเข้าและลมออกเนี่ยให้ดูที่ลมเข้าลมออกแต่ลมเข้าและลมออกจะปรากฏชัดที่จุดกระทบไม่ควรไปดูจุดกระทบข้างในในรูจมูกหรือในโพรงจมูกให้ดูข้างนอกถ้าไปดูข้างในเนี่ย มันจะเป็นปัญหานะเข้ามันจะไปกลายเป็นาธาตุลมหรือว่างเป็นาธาตุดินธาตุน้ําาตาไฟไปมันจะกลายเป็นาธาตุกรรมฐานและกรรมฐานมันจะแปลรูปและไม่ควรไปใส่ใจถึงว่าหายใจเข้าอันนี้จังหายใจออกเป็นทุกขหายใจเข้าเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ควรไปพิจารณาด้วยความเป็นไตรลักษณ์ก่อนซึ่งมันไม่ใช่ไม่ถูกถ้าเจริญอาณาปณสติก็ต้องเจริญอาณาปณสติจริงๆกรรมฐานต้องชัด แล้วต้องทำให้ถูกต้องอย่าให้ปนกันอย่าให้ปนกันถ้าเจริญาธาตุกรรมฐานจะเจริญยากเหตุผลที่ยากจเจริญไปแล้วจะหนักบ้างจะร้อนบ้างจะเย็นบ้างจะมีอาการแข็งบ้างจะมีอาการไปทั้งตัวทีเก่งไปทั้งตัวเป็นต้นบ้างบริหารยากจะทำให้กายลำบาก แต่อาณาปณะสติเนี่ยที่พระพุทธเจ้านำเสนอให้เรามาปฏิบัติกันเนี่ยเป็นกรรมฐานที่จเจริญแล้วยิ่งเบายิ่งเย็นยิ่งสบายยิ่งมีความสุขเป็นฐานของสมาธิได้เร็วแล้วเวลาจะต่อไปกรรมฐานอื่นต่อไปจะได้จะได้ไม่ลำบากเนตรงนี้ต้องจำไว้ว่าการดูลมเข้าและลมออกเนี่ยดูยังไงถึงจะไม่ถึงจะชัด ก็ดูที่ลมไงเอาสติวางไว้ที่เหนือลมข้างบนหน่อยอย่าไปปักชัดลงไปที่จุดกระทบแรงเกินไปถ้าปักดิ่งลงไปที่จุดกระทบแรงเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่ลมจะเด่นมาแทนกลายเป็นจุดกระทบเด่นแทนเมื่อจุดกระทบเข้ามาเด่นแทนนะเข้านะเข้ามันจะมีหนักมาแทนเบามาแทนหรือร้อนแทนเย็นมาแทนมันก็จะกลายเป็นกรรมฐานก็กลายเป็นธาตุกรรมฐาน เข้าใจหมแต่เข้าเข้ามันจะตึงไปทั้งหน้าร้อนไปทั้งหน้าและร้อนไปทั้งตัวกรรมฐานก็จะแปรรูปอันนั้นแปลว่าจากอาณาปณะอยู่ดีๆก็กลายเป็นกรรมฐานอื่นไปฉะนั้นตรงนี้ก็คือให้ดูที่ลมกระทบเข้าและกระทบออกประการที่สองอย่าตามลมอย่าตามเข้าไปเนี่ยหายใจเข้ากระทบที่แรกเนี่ยเบื้องต้นอยู่ที่ปลายจมูก ไหลลงไปอยู่เนี่ยตรงกลางท้องไปถึงสะดือนี่ที่สุดลมหายใจออกเน่เบื้องต้นอยู่ที่สะดือเบื้องท่ามกลางอยู่หัวใจนี่อย่าไปตามอย่างนั้นเพียงให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แต่ดูที่จุดเดียวดูที่จุดเดียวนั้นชื่อว่าดูทั้งหมดแล้วเพราะมันก็วิ่งออกมาอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปไหนหรอกไม่ต้องไปตามไม่เสียเวลา อย่าไปตามเข้าตามออกไม่ต้องไปดูท้องถ้าไปดูท้องเนี่ยถ้าไปดูท้องเนี่ยอะไรจะตามมาอะไรจะตามมา เ, เดี๋ยวมันจะวิ่งไปอย่างนี้แล้วาดูที่ท้องแล้วไปดูที่สุดเขาเรียกว่าต่อไปมันจะอึดอัดด้านหะน้าเข้าเนี่ยกลุ่มดูท้องเนี่ยธาตุกรรมฐานจะปรากฏกรรมฐานอื่นจะไม่ปรากฏไอ้ธาตุธาตุไอ้ ไ, อไหว ผักดันผักดันนักเข้านัเข้าก็แข็งไปทั้งตัวบ้างร้อนไปทั้งตัวบ้างปัญหาจะตามมาเยอะต้องอยู่กับผู้รู้เขาจะบอกให้อะถ้างั้นเอาไว้ทีหลังเอาไว้ทีหลังให้ดูลมก่อนถ้าไปดูส่วนอื่นใครเคยดูท้องบ้างเคยไหมเคยทำกรรมฐานอะไรมาเคยไหม เคยเคยทำกรรมฐานอะไรมามหมงั้นตรงนี้ก็คืออย่างนี้ว่าให้ดูที่จุดเดียวที่ลมกระทบเข้าแล้วกระทบออกเอาแล้วทีนี้เบื้องต้นให้ดูเข้าดูออกถ้าดูเข้าดูออกเนี่ยรู้สึกสมาธิตั้งมั่นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วดำเนินต่อแต่ถ้าดูอยู่พักนึงจิตก็ วิ่งไปซ้ายไปขวาเดี๋ยวก็หลับบ้างเดี๋ยวก็หลงบ้างลืมบ้างตอนนี้นับลมวิธีนับไม่เหมือนกันฉบับของไทยนับอีกอย่างฉบับของลังการนับอีกอย่างฉบับของโรมันนับอีกอย่างนะสรุปเอาอย่างนี้เข้านะ ถ้าไปบอกเข้าหนึ่งออกหนึ่งเนี่ยมันจะกลายไปอยู่กับตัวเลขมันเร็วไปหายใจเข้าสุดนี่นะออกสุดเข้าพอออกให้นับ1เข้าออกนับ2เข้าออกนับสเข้าออกนับ4เข้าออก5้าเนเข้าออกนับ6เข้าออก เข้าออกนับ8แล้วก็มาเข้าหนึ่งออกหนึ่งถึง8ดอย่าเกิน10อย่าต่ำกว่า5ถ้าทำอย่างนี้จะไม่เป็นภาระเท่าที่สังเกตเนี่ยปฏิบัติแบบนี้จะขึ้นได้เร็วแล้วไม่เป็นภาระเหตุผลเวลานับเนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ที่ตัวเลขการนับนันเหมือนประคองเหมือนคนแก่เดินไม่ค่อยไหวหัดเดินใหม่ๆต้องใช้ไม่เท้าพยุง แต่เมื่อเดินได้คล่องแล้วไม่เท้าก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปก็เหวี่ยงทิ้งไปได้เลยนี่ก็เหมือนกันวิธีนับมันต้องให้เห็นลมด้วยนะลมเข้าเนี่ยถ้าไม่เห็นลมอย่าไปนับถ้างั้นมันแค่ได้แต่ตัวเลขเพราะตัวเลขก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพียงให้เห็นลมกระทบเข้ากระทบออกนับหนึ่งกระทบเข้ากระทบออกนับสอง ถ้าไม่นับเนี่ยเดี๋ยวก็ฟุ้งบ้างเดี๋ยวก็หลับบ้างนี่สําหรับบุคคลที่มีปัญหาสําหรับบุคคนที่มีปัญหาปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติแล้วฟุ้งอยู่ตลอดเลยเนี่ยอันนี้วิธีการนับดีที่สุดเมื่อนับแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเห็นว่าไม่ต้องนับแล้วการนับรู้สึกจะเกะกะแล้วก็ปล่อยการนับทิ้งไปแล้วก็มาอยู่ที่ลมเข้าลมออกนี่เบื้องต้นทีนี้สําหรับบุคคลที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้ว จนเบื้องต้นเนี่ยถ้าตั้งมัน่นจนเป็นสี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงจิตก็ไม่ไปทางอื่นก็จะเริ่มพัฒนาไปสู่เมื่อก็จะเริ่มเห็นยาวเห็นสั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยคําว่ายาวและสั้นเนี่ยยาวและสั้นคืออย่างนี้ให้สังเกตเอาทุกคนนั่งกันอยู่เนี่ยลองหายใจดูที่ให้เป็นธรรมชาตินะห้ามฝืนนะ ว่าเราหายใจออกกับยาวไหนสั้กนกว่าไหนยาวไหนสั้นลองสังเกตตัวที่ระหว่างเข้ากับออกอันไหนอันไหนยาวอันไหนสั้นลองสังเกตตัวที่ผู้ปฏิบัติทุกท่านเอาลองดูใครหายใจยาวยกมือดูที่ออกยาวแต่เข้าสั้นอยกมือหน่อยที่เอาใครหายใจเข้ายาวออกสั้นเข้ายาวออกสั้นแล้วใครหายใจ ออกยาวเข้าสั้นยกมือทีออกยาวมากเลยแต่เวลาเข้าสั้นเอาลองสังเกตดูนะเอาหายใจใหม่ลองหายใจใหม่ดูนะออกกับเข้าอันไหนสั้นอันไหนยาวกว่ากันลองดูนะเอาใครหายใจออกยาวกว่าสั้นเออหายใจออกยาวกว่าเข้ า, ากี่คนลองดูดิหายใจออกยาวกว่าใช่ไ้ย เข้าสั้นใช่ไหมเอาใครหายใจเข้ายาวแล้วออกสั้นนิดเดียวคนที่ไม่ยกมือยังยังมือนอยอ่ปะยังงงเยู่ปะหายใจออกกับเข้าเสมอกันไหมสังเกตดูไหมเท่ากันไหมเท่าไม่เท่ายอมเท่าไหมอะไรออกยาวหรือปะเข้าอ่ะ เข้าสั้นใช่ไหมออกยาวเนี่ยนี่คือคนทั่วไปหายใจยังไม่บาลานซ์กันแล้วพอหายใจยังไม่บาลานซ์กันจะไม่สมดุลกันเหตุผลเพราะไม่ได้ฝึกอนาณาบารณสติและให้สังเกตบุคคลที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ค่อยเท่ากั น, นเวลาปฏิบัติจะเริ่มมีปัญหาเพราะลมที่เข้าไปในร่างกายกับลมที่ออกมานี่นะ ถ้ามันเข้าออกมาไม่สมดุลกันเนี่ยร่างกายจะโครงเครงเช่นคนที่หายใจออกหายใจหายใจเข้าสั้นออกยาวเวลาปฏิบัติเนี่ยนั่งแป๊บเดียวก็รู้จะเข้าก็จะเริ่มไปข้างหน้าเนี่ยไปข้างหน้าตลอดมันจะถูกกระชากไปข้างหน้าตลอดเพราะมันออกยาวกว่าเข้าความที่ลมภายในเสียความสมดุลร่างกายก็จะโครงไปข้างหน้าป๊ดปืด๊ดข้างหน้าตลอดและ คนที่หายใจเข้ายาวแต่ออกสั้นก็จะหงายหน้าไปข้างหลังพงะข้างหลังตลอดเวลาปฏิบัติพอจิตเริ่มนิ่งขึ้นหน่อยนี่แหละคือเข้ายาวออกยาวบ้างเข้าสั้นออกสั้นที่สุดจริงๆผู้ปฏิบัติพอมาถึงในช่วงตรงนี้เบื้องต้นเนี่ยหลังจากรู้เข้ารู้ออกจนตั้งมั่นแล้วพอจะเริ่มยาวและสั้นตรงนี้ก็จะค่อยๆสังเกตแต่ไม่ใช่บังคับนะ จิตจะเริ่มนิ่งก็จะเริ่มสังเกตระดับลมเข้าลมออกหนักเข้าหนักเข้าก็จะเกิดความสมดุลเมื่อจิตเป็นสมาธิดีเมื่อจิตเป็นสมาธิมีกำลังของสติมีกำลังของความเพียรประคับประคองดีแล้วก็จะเกิดความสมดุลการนั่งก็จะนิ่งแล้วก็จะตรงแล้วก็เกิดความเบาและสติก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องลมเข้าลมออกก็จะมีการก็จะไม่เสียสมดุลกันก็จะมีความ สม่ำเสมอเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นบางคนก็หายใจยาวบางคนก็หายใจสั้นใหม่ๆก็จะมีการสลับสลับผู้ปฏิบัติใหม่ๆที่ยังไม่ไม่ไดับความนิ่งในลมหายใจก็จะมีการสลับกันตลอดเวลาก็จะรู้ตลอดแล้วในส่วนจริงๆเมื่อกำลังของสมาธิดีแล้วก็จะเกิดความสมดุลพอเข้าใจยางนี่ก็เรียกว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้น บาลีท่านใช้คำว่าีคังวะอัสสะสันโตทีคังว่าอัสสามิติประชานาติแล้วก็รัสสังวอาอัสสสนโตรัสสังวอาอัสสะมิติใส่หายใจเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นที่เป็นปรับที่สองเราจะเข้าใจอย่าง กาบนามัส ก, การพระอาจารย์ค่ะคือเวลาที่นั่งสมาธิอะค่ะตอนเริ่มอะค่ะมันจะรู้สึกเหมือนหายใจติดติดขัดขัดเหมือนกั้นหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งถึงจะเข้าสมาธิได้อะค่ะอยากทราบว่าพอจะมีวิธีแก้ไขไหมคะวิธีที่แก้ไขตรงนี้ก็คือว่าพาะเราหายใจไม่เป็นธรรมชาติ คือจริงๆแล้วการเจริญอาณาปณสติเนี่ยต้องอย่าฝืนธรรมชาติคำว่าอย่าฝืนธรรมชาติก็คือว่าปกติเนี่ยเคยหายใจอย่างไรธรรมชาติก็ให้เป็นอย่างนั้นบางคนเวลามาปฏิบัติเนี่ยไปตั้งใจที่จะหายใจให้ช้าลงบ้างเพื่อจะให้ไวบ้างนั่นก็ติดขัดฉะนั้นตรงเนี้ยให้ปล่อยเป็นปกติที่เคยหายใจอย่างไงก็อย่างนั้นเราระบบ ร, ร, ร, ร, ระบบการหายใจเนี่ย สังเกตดูในชีวิตประจําวันเนี่ยบางคราวเราจะหายใจเร็วบางคราวเราจะหายใจช้าในวามที่เหนื่อยยามทํากิจอะไรยามตกใจก็ดียามโกรธยามเครียดทั้งหลายหายใจจะเร็วขึ้นแต่ในยามปกติทั้งหลายการระบบการหายใจจะช้าลงใช่ไหมมันธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละทีนี้พอธรรมชาติเห็นการที่เราจะมาฝึกในการเจริญอาณาปณาสาติเนี่ยนักเข้าก็จะเป็นคนฉลาดในเรื่องลม ก็จะรู้ระบบการหายใจและเราจะไม่ฝืนจะไม่ฝืนหรอกเราหายใจเป็นยังไงบางทีเนี่ยมันผิดจังหวะอยู่เรื่อยใหม่ๆเนี่ยพอมาตั้งทีไรก็จะฝืนการหายใจทุกครั้งเลยพอฝืนการหายใจก็จะเริ่มแล้วจะเริ่มโดยบางแห่งบางที่ไปบอกว่าต้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆอันนั้นเป็นการฝึกโยคะ จะฝึกโยคะก็ฝึกกันไปแต่ต้องบอกว่านั้นไม่ใช่เจริญอาณาปานสติคําว่าอาณาปานสติเนี่ยก็แปลว่าการเจริญสติไม่ใช่มาเจริญลมลมมันมีอยู่ไหมโดยธรรมชาติมีอยู่มหมเอาเหมือนโยมเงี้ยโยมไปนั่งอยู่ที่ทะเลว่ายอมเห็นขึ้นมันขึ้นขึ้นมันลงถามว่าเราไปต้องไปลุ้นมันไหมต้องไปลุ้นหรือเปล่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาไหม พอเกิดลมแรงขึ้นมันก็สูงลมมันไม่แรงขึ้นมันก็เรียบใช่ไหมนี่เหมือนกันการเจริญเนี่ยไม่ใช่ไป บ, บังคับอย่าไปฝืนก็ เ, เป็นธรรมชาติหมธรรมชาติเาก็เป็นเขาอยู่อย่างนี้แหละเราจะดูหรือไม่ดูเราจะรู้หรือไม่รู้ลมก็มีอยู่ไหมเขาก็มีอยู่ตามปกติตามธรรมดาของเขานี่แหละแต่พอเราจะมาดูขึ้นมามันกลายเป็นจดจ้อง ตั้งใจที่จะหายใจชา้าจะหายใจเร็วนะเขาก็เหนื่อยใช่ไหมก็เหนื่อยงั้นตรงนี้ก็ให้ปกติแต่เขาปกติตรงนี้ต้องระวังว่าหนึ่งเราใส่ใจที่จะดูลมแต่ในใส่ใจที่จะดูลมอย่างเดียวตอนนั้นคุณภาพจิตต้องดีไหมจิตต้องดีนะไม่ใช่ทําจิตเครียดจิตวิ ต, ตกกังวลเพราะกูสอนันเนี่ยสาคัญมากเลย การเจริญอาณาปณสติการฝึกสมาธิเนี่ยให้สังเกตไหมจะต้องคิดปรับเรื่องอื่นก่อนปรับเรื่องรู ป, ปรกายจนได้ที่แล้วแล้วก็มาปรับความคิดความวิตกกังวลความห่วงความอะไรตัดปล่อยวางทั้งหมดแล้วจึงมานึกถึงพุทธธรรมหลาดของพทะเจ้าว่าอาณาปณสติเนี่ยดีอย่างไรอันที้ก็มาฝึกฝนเพียรพยายาม นึกก็เกิดศรัทธาเชื่อมั่นเพราะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในพุทธดํา ร, รัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่เนี้กําลังศรัทธาใจลดแรงเขาต้องมีการฟังทำทุกวันไงแล้วก็ฟังทำมานั้นก็ต้องเกื้อกูลต่อการเจริญอนานานบรรสติโดยแล้วก็ไปทําไปฝึกฝนเพียรพยายามทําอย่างต่อเนื่องเลยที่สุดยิ่งก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากพราะจะเข้าใจนะคืออย่าฝืนอย่าฝืนธรรมชาติ ปล่อยการหายใจเป็นปกติที่เคยยังไงก็ยังงั้นเอาเดี๋ยวถามโยมนิดนึงว่าโยมที่เคยเจริญอานาปนานสติมาแล้วยกมือขึ้นซิที่เคยฝึกเจริญมาแล้วโอ้โหมีน้อยเอาที่ยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยยกมือไม่เคยเจริญอานาายกยกสูงๆงเลยโอ้เออเดี๋ยวมาปังใหม่ ไม่เคยเจริญเลยนะแล้วมาฟังนี่ตอนนี้เริ่มเข้าใจหรื อ, อยังเริ่มหรื อ, อยังอา้าวใครยังไม่เข้าใจเรื่องอนาปานสติพราเดี๋ยวจะต้องลงมือเริ่มทำกันแล้วอายกมือที่ที่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเบื้องต้นควรทำยังไงที่ไม่เข้าใจเลยเอา้าวใครเข้าใจแล้วยกมือที่ฟังแล้วนี่เข้าใจแล้วคิดว่าทำได้แล้วไอ้ที่ไม่ยกมือ <c ười> คืออย่างนี้ว่านี่เวลาเท่าไหรแล้วแล้วหมดเวลาเท่าไหร่ <c ười> ฮะสี <4. 30 S 1> <c ười> ่โองครึ่งนะตรงนี้ก็คือข้อที่ ต้องการจะบอกพวกเราตรงนี้ก็คือว่านึกถึงพุทธตำรหลัดของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าอาณาปานาสติเนสมาธิเนี่ยบอกว่า เมื่อเจริญอาณาปานาสติสมาธิให้มากแล้วกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยเนี่ยนะไม่เหมือนกับกรรมฐานอื่นทั้งกล่าวแล้วนี่แหละในจำนวนกรรมฐานมีพุทธลพ ท, ธที่รับรองที่ต้องการปลุกเร้าให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเชื่อมั่นพรพุทธเจ้าว่าทำไมอามาเนี่ยจึงนำเสนออานาปานาสติและเกื้อกูลต่อพวกเราและต่อบุคคลทั่วๆไปยังไง พระเจ้าก็บอกว่าฉะนั้นแลหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุปฐมฌานก็พึงมนานัสการอานาปานาสติสมาธินี่แลให้ดีเห็นไหมหากภิกษุหวังว่าเราจะได้ปฐมฌานเนี่ยก็ให้เจริญอานาปานาสตินี้แลให้ดีหากภิกษุหวังว่าเราพึงบรรลุหรือจะได้บรรลุทุติยะฌาน ก็ให้มานสิการอาณาปานสติสมาธินี่และให้ดีถ้าหวังว่าจะได้ตติยชานหวังว่าจะบรรลุจตุทัชฌานก็พึงมานสิการอาณาปานสติสมาธินี่และให้ดีหากภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุอากาสานัญจาตนะวิญญาณัญจาตนะอากินจัญญาตนะ ก็พึงมนานสิการอาณาปานาสติสมาธินี้แลให้ดีหากภิกษุพึงหวังจะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะขึ้นสู่เนวสัญญาณาสัญญายาตนะฌานก็พึงเจริญอานาปานาสตินี้แลให้ดีหรือภิกษุหวังว่าเราจะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายาตนะจนถึงการเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติ ก็พึงมานสิการอาณาปานสติสมาธินี่แลให้ดีนี่บ่งบอกอะไรอานาปานสติสมาธิเป็นได้ทั้งสมถาะาเป็นได้ทั้งวิปัสนาขยายอย่างและอานาปานสติสมาธินี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงธรรมดากรรมฐานทั้งหมดที่มีอยู่ที่เราปฏิบัติกันอยู่ อะไรเป็นประธานของกรรมฐานอะไรเป็นกรรมฐานหลักก็บอกอาณาปานสติสมาธินี่แหละเป็นประธานกรรมฐานทั้งหมดอยอมนึกดูว่าถ้าเราจเจริญอาณาปานสติซึ่งเป็นประธานกรรมฐานแล้วเมื่อได้เมื่อจบอาณาปานสติแล้วเวลาเราจะโยกไปสู่กรรมฐานอื่นมันจะไปได้หมดเลยเข้าใจยางจะไปได้หมดเลย และอาณาปานสติสมาธินี่แหละเป็นกรรมฐานที่เป็นปัจจัยทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เจริญอาณาปานสตินี่แหละพระปัจเจพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็นี่แหละอาณาปานสตินี่แหละและพุทธบุตรทั้งปวง พุทธบทุทั้งปวงนะที่เป็นลูกพุทธเจ้าก็อาณาปานสตินี่แหละทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าภิสูจทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี่แหละเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบเป็นสภาพยิ่งจเจริญไปยิ่งเป็นสภาพที่สงบประณีสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมมันชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้อันต ร, รธานไปโดยพันเปรียบเสมือนผลใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ด้วยดูการยางฝุลละอองที่ฟุ้งขึ้นให้สงบประ ง, งับไปฉับพันฉันนั้นอันนี้ก็แปลว่ายิ่งเจริญไปนะจะยิ่งสงบแล้วก็ยิ่งประณีตแล้วก็ยิ่งสดชื่นไม่ต้องเติมโอชะไม่ต้องเติมรสยิ่งเจริญไปจะยิ่งสงบยิ่งประณีตยิ่งสดชื่น ท่านใช้คําว่าอาศัยชนะโกสดชื่นจริงๆนี่แสดงยังไม่เข้าเจริญกันให้ถึงถึงที่ใช่ไหมถามว่าชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นทุกไหมยอมเป็ทุกไหมเครียดไหมเจอภาวะความเครียดเยอะไหมวุ่นวายเยอะไหมไปอยู่ในบ้านไปอยู่นอกบ้านสับสนวุ่นวายเจอเรื่องราวต่างๆมากหรือไม่มากมากไหมนั้นอาณาปานสตินี่แหละมาเจริญเดอ๋เราจะ ที่เราฟุ้งซ่านจะสงบที่เราเจอแต่เรื่องหยาบๆมันจะปนนิดแล้ว เ, เจอแต่เรื่องทุกทุกทั้งหลายตอนนี้เราจะสดชื่นจึงเหมาะแก่คนในยุคปัยจุบันนี้ทุกคนพระเจ้าบอกเป็นกรรมฐานที่เหมาะเมื่อจเจริญแล้วจะยังบาปอกศุศลธรรมมันชั่วรลายที่เกิดขึ้นแล้วแวให้สงบไปโดยพันถามว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยบาปรบกวนเยอะไหมกิเลสรบกวนเยอะไหม หนึ่งความติดใจใ่กสันลบลูกวนเยอะไหมความอยากได้นุน่นอยากได้นี่ความติดใจใ่กสันเยอะหรือไม่เยอะพยาบาท ง, งุดหงิดโกรธกระทบนั้นกระทบนี้เยอะไหมหดขู่ท้อถอยหงอยเหงาเศร้าซึมมากหรือไม่มา ก, มมากฟุง้งซ่านลาคาญใจเยอะไหมแล้วก็ลังเลสงสยัยเยอะหรือไม่เยอะมืดบอดไม่ยินดีในการปฏิบัติอกุโสธรรมทั้งหลายเราเนี้ย ราคาโทรศโมหะกุ้มรุมเยอะไหมล่ะฉะนั้นถ้าเยอะนี่แหละอาณาปานสตินี่แหละจะยังบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแล้วให้สงบไปโดยพันเพื่อจะบอกเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนอเดือนอะไรที่เป็นเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเดือนอะไรเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนเน่เดือนเมษาจะเข้าพฤษภา น่าเดินตอนท้ายๆน่ะตอนนั้นฝุ่นจะเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะเดินเมษาฝุ่นละอองเยอะไหมฝุ่นก็เยอะถ้าฝนใหญ่ฝนหาใหญ่ตกลงมาฝุ่นที่เยอะๆจะสงบไหมนั่นแหละอาณาปานสติเหมือนฝนห่าใหญ่เวลาจเจริญแล้วเนี่ยจะยั้งบาปที่เกิดขึ้นบ่อ ย, อยๆให้สงบราบคาบพอจเจริญแล้วเนี่ยจิตจะสงบ จิตจะประณีตจิตจะสดชื่นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกาะกลมจิตจะอันตรธานไปโดยพันนี่พุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เชื่อไหมเชื่อพุทธดําหลาดของพุทธเจ้าไหมเชื่อไม่เชื่อถ้าเชื่อต้องรีบทำและต้องมีศรัทธาที่จะทำนะทีนี้พุทธเจ้ากล่าวไว้ในพระวินัยบิดด ต่อไปพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวว่าอานาปานาสติสมาธินี่เป็นอริยวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพอระพิจิตเจ้า เ, เป็นพรห ม, มวิหารเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระพรหมของพรห ม, รมนะของผู้ปะเสฐเป็นตถาคตวิหารธรรมเครื่องอยู่ของพระตถาคตภิกษุเหล่าใดนะถ้าเป็นพุ้ถอดพอก็ยังเป็นเสขาอยู่ปรารถนา บราารลุอรหัตผลถ้าสรุปอย่างนี้ก็คือว่าภิกษุเราใดาหรือพุทธบริษัทเราใดา ย, ยังเป็นปุถุชนอยู่ปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันก็อาณาปณสติสมาธินี่แหละพึ่งเจริญให้มากแล้วที่สุดจริงๆจะประสบความสําเร็จได้ถ้าภิกษุเราใดา ย, ยังเป็นแค่พระโสดาบันปรารถนาจะเป็นพระสกท า, าคาไม่ภิกษุเหล่านั้นนะ เพิงปราถนาที่ปลอดโปร่งโล่งจากล่งจากกิเลสว่างั้นเธออันยอดเยี่ยมอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปอ่างอาสวะใช่ไหมหนึ่งภิกษุเหล่าใดนะถ้ายังเป็นปุตุชนพุทธบริษัทเหล่าใดยังเป็นปุตุชนปราถนาจากเป็นพระโสดาบันก็ให้มานสิการอาณาปานาสติสมาธินี้แหละ ที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยต่อการได้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นด้วยถ้าเป็นพระโสดาบันปรารถนาจะเป็นพระสกา parasite, ทาคามีก็ให้เจรนะิญอาณาวนสตินี่แหละที่สุดจริงจะทําลายอาสวะแล้วเป็นพระสกทาคามีได้หรือถ้าเป็นพระสกทาคามีปรารถนาจะเป็นพระอนาคามีก็ให้เจริญอาณาปนสตินี่แหละเมื่อเจริญแล้วจะทําอาสวะให้สิ้นแล้วก็จะเป็นพระอนาคามีได้ ถ้าเป็นผ้านาคามีปรารถนาจะเป็นผ้าละหัน์ว่างั้นเธอบรรลุอรหัตผลปรารถนาความปลอดโปร่งโล่งใจอันยอดเยี่ยมอาณาปานาสติที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเห็นไหมฉะนั้นการมาสวะอาสวะคือกามจะสิ้นไปภวาสาวะอาสวะคือพบจะสิ้นทิฏฐาสาวะอาสวะคือความเห็นผิดจะหมด อวิชาสวะอาสวะคือความมืดบอดจะได้หมดไปจากจิตทันทีฉะนั้นให้เจริญอาณาปานสติแล้วจะได้เป็นพระอรหันต์แล้วตรัสต่อไปด้วยนะบอกว่าภิกษุเหล่าใดเป็นพระอรหันต์แล้วสิ้นอาสวะแล้วอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมเป็นไปขั้วความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมะสุขาวิหารธรรมด้วยและเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ ี่เขาเห็นพุทธพจน์ได้ยางว่าตอนนี้เราเป็นบุตชนอยู่ไหเป็นหรือไม่เป็นเป็นชัดเจนเลยแเนี้ยแล้วปรารถนาจะเป็นพระโสดาบันไหมปรารถนาหรือไม่ปรารถนาปรารถนาให้เจริญอะไร อ, อ, อา น, ปนาปนสติสมาธินี่ไงเป็นพุทธดำหลัดตามาพุทธดำหลัดอย่างนี้กล่าวไว้ที่ไหน กาวไว้ในสังยุตตะนิกายมหาวารวัตนี่ไม่ใช่พูดลอยๆไม่ได้พูดไม่ใช่พูดเองแต่เป็นพระดํารัสของใครเป็นพระดารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาเราเป็นสาวกของใครสาวกพระเจ้าเป็นบริษัทของใครเป็นบริษัทของพระเจ้าแล้วเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อเชื่อไหมเอาเชื่อพระเจ้าก็ต้องทำอา้าวฟังต่อไปนะ แล้จะได้ชื่นใจว่าเออพระเจ้ากล่าวไว้ยังไงบอกว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายดังที่เป็นมาเรานั้นก่อนสัมโพธิคือยังไม่ได้ตัดสรู้ตอนนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เราก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปณะสติสมาธินี่แหละโดยมากนี่แปลว่าอะไรก่อนที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยอาณาปณะสติสมาธิโดยมาก ไม่ได้อยู่ด้วยอย่างอื่นไม่ได้อยู่ด้วยวิหารธรรมอื่นนะวิหารธรรมที่พระเจ้าอยู่ก็อยู่ด้วยอาณาปณะสติเนี่ยโดยมากเมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยเอออยู่กรรมฐานอื่นรู้สึกอื่นอัดคับข้องแต่พอมาอยู่ในอาณาปณะสติสมาธิเนี่ยกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยกายเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ย เก้าร้อยเส้นในกรรจกายเนี่ยไม่มีตึงเลยเจริญอาณาปณสติเนี่ยเส้นเอ็นทุกเส้นเนี่ยไม่มีเลยไม่ต้องเข้าไปนวดเลยว่างั้นเถอดดีไม่ดีอาณาปณสติเนี่ยดูแลรูปกายด้วยไหยแล้วตาก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องไปเพ่งปเป็นเล็งเลยตาก็เย็นเย็นตาเย็นกายอะ่ะนี่กรรมฐานนี่เป็นแบบนี้นี่ก่อนแตสรู้พระรยาก็อยู่ด้วยอาณาปณสติสมาธิ เมื่อเราเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมเหล่านั้นแหละตาก็กายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมั่นด้วยเพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายหากภิกษุหวังว่ากายของเราก็ไม่พึงเมื่อยตาก็ไม่พึงเหนื่อยเนี่ยจิตของเราก็จะได้หลุดพ้นจากอาสวะมีกามาสวะเป็นต้นโดยแค่ไม่ถือมั่นแล้วเนี่ยก็พึงมานัสิการานาปานสติสมาธินี้แหลโดยมาก สมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ที่ไพรสนอิชานังคาลาใกล้อิชานาังคลานาครนะเราปรารถนาจะลีกเล่นอยู่ตอลอดไตรมาสใครไม่พึงนําอาหารไปให้เราเว้นแต่ภิกษุผู้นําบิณาบาตรูปเดียวเท่านั้นตอนนั้นพระเจ้านีหลีกเล้นสามเดือนพอครบสมเดือนพุทธเจ้าก็ออกมาพอออกมาพุทธเจ้าก็ออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากอัญญาตเดียรถีจะพึงถามพวกเธอว่า ตถาคตหลีกเล่นเนี่ยจำพรรษาสามเดือนอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเธอทั้งหลายให้บอกกับอัญเชิเดล ถ, ถีเหล่านั้นว่าตถาคตอยู่ด้วยอาณาปานสติวิหารธรรมสมเดือนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กรรมฐานอื่นเลยนะอยู่ด้วยอาณาปานสติสมาธิถามว่านี่เป็นกรรมฐานของใครเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้แล้วก็สอนให้ภิกษุ จเจริญพิกษูนีอุบาสกและอุบาสิกาเอามาจเจริญฉะนั้นเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจเจริญไหมควรหรือไม่ควรอา้าวถ้าควรเดี๋ยวนั่งกันสักพักเอาเลยนั่งตอนนี้เลยเออ้าวนั่งแบบเดี๋ยวสอนนั่งสักพักหนึ่งแล้วจะได้แยกย้ายกันไปปฏิบัติต่ออนั่ง คัดสมาธิก็ได้นั่งเรียงขาได้ก็เอานะถ้ามีอะไรลองลอ ง, ลองก้นหน่อยก็ดีเออหรือถ้าหากว่าใครถนัดแบบไหนเอนะเอน่เห็นไหมบอกข้างหลังพับได้ด้วยนะพับข้างหลังทำก้นให้สูงๆหน่อยเอออย่างนี้ดีเลยเอะทำได้ดีมาตรฐานนะาเอาไปทำที่วัดบ้าง เ อ, ออย่างนี้ดีเลยเนี่ยนั่นแหละข้างหลังนะ่ะพับขึ้นมาให้ไม่ก้นสูงหน่อนแล้วก็ขาเรียงกันขาซ้ายอยู่ข้างนอกขวาอยู่ข้างในก็ได้ที่ถนัดเนี่ยนะขาอย่าไปทับกันให้เรียงเรียงขาเอามือจะอยู่ในท่าที่ถนัดอาจจะวางไว้ตรงไหนที่ดูไม่เกะกะจนเกินไปนะ แล้วก็ดูส่วนของรูปกายทั้งหมดตรวจสอบก่อนทุกครั้งทุกครั้งที่นั่งพึงจำไว้ว่าปรับกายทั้งส่วนทุกส่วนตั้งแต่ศรีรษะนะดูซิส่วนไหนที่ตึงที่เครียดไม่ว่าจะเป็นหน้าผากเอยกระบอกตาเอยหูเอ้ยคอเอยจมูกเอยปากเอย ตามตัวทั้งหลายจนถึงเท้ามือคลายทุกสัสดส่วนและดูด้วยนะว่านั่งตรงไหมอย่าไปนั่งเอียงนะนัเข้านัาเข่าเส้นเอวยอย์ออจะเสียนะแล้วหลังจะเสียเพราะการเจริญอาณาปาณสตินี่จะต้องใช้ท่าที่ค่อนข้างนานฉะนั้นร่างกายจะต้องมีการปรับความสมดุลค่อนข้างดีแต่ถ้ามีลักษณะอาสนะแบบเนี้ยถือว่าดีมาก เป็นอาสนะที่เหมาะสมเหมาะแก่การเจริญอาณาปณสติมากเลยเพราะว่ามีที่รองข้างหลังแล้วก็นั่งยกก้นให้สูงได้เมื่อปรับรูปกายร่างกายทุกสัดส่วนจนได้ที่ตั้งศีรษะหน้าไม่เงยเกินไปไม่งุ้มหน้าเกินไปไม่โยกไม่โครงไม่เอ็นเกินไป ระการต่อไปก็คือไม่ระหว่างฟันนะประกบริมพิปากนั้นอย่าเอาฟันเจรดกันแรงถ้าฟันจดกันแรงๆนะเข้านะเข้าไอ้ความแข็งของฟันจะกลายเป็นปัญหาของผู้ปฏิบัติเองนะเข้านะเข้าความแข็งที่ฟันไปเก็งกัดกันนะต้องผ่อนคลายหมดนะ ที่ปากอย่าไปเก่งฟันถ้าฟันไปชนกันปุ๊บเมื่อไหร่สักพักหนึ่งมันจะกลายเก่งแล้วจะไปกดแล้วจะกลายเป็นกัดฟัน <c oughs> นี่นี่ต้องต้องระวังตรงนี้นะเ <c oughs> ห็นไหมเป็นท่าที่เบาสบายโปร่งโลง่งอภิการต่อมาก็คือตัดความกังวลทั้งหมดเมื่อตัดความกังวลทั้งหมดเหล่านี้แล้วก็สภาพจิตใจที่คุณมัว สภาพใจที่มัวหมองสภาพจิตใจที่ไม่แช่มชื่นขจัดออกให้หมดหนัเข้านักเขาก็ให้นึกถึงพระพุทธดำหลัดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าสมาธิงภิกเวภาเวทะสมาหิโตยาถาภูตังประชานาตินี่แหละให้นึกถึงพระดำหลัดของพระพุทธเจ้า ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุที่มีจิตผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงทีนี้ก็ถามบอกว่าภิกษุที่มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเนรู้ชัดอะไรก็บอกวรู้ชัดทุกสัต์ตามความเป็นจริง รู้ชัดสมุทยัยยสัจจะตามความเป็นจริงรู้ชัดนิโรธาสัจจะแล้วก็รู้ชัดมรรคสัจจะตามความเป็นจริงเป็นต้นนั้นมานึกถึงพุทธดำหลักของพระเจ้าอย่างนี้แล้วก็พระเจ้าสอนให้เราฝึกสมาธิให้เจริญสมาธิแล้วก็นึกถึงแล้วให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าเป็นบุญยราภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอ แล้วต่อไปเมื่อเกิดเชื่อมั่นในพระดารัสของพระสัมมาสุมรพระเจ้าแล้วก็ตั้งสติให้สังเกตดูลมหายใจเข้าออกเลยนะเธอมีสติหาย ใ, ใจออกเธอมีสติหาย ใ, ใจเข้า เ, าเมื่อตั้งกายตรงแล้วต้องระวังอย่าให้กายโยกโครงนะถ้าโยกโครงตั้งใหม่ตั้งกายให้ตรงเดี๋ยวจะเคยนะถ้าเคยก็จะติดเลยตอนนี้ แล้วก็ยังสมาธิให้ตั้งมันดูที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกดูที่จุดกระทบเข้ากระทบออกนะไม่ต้องตามลมแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติอย่าฝืนให้สังเกต ด, ดูาหายใจเข้าหายใจออกดูที่จุดกระทบเข้ากระทบออกอย่างต่อเนื่องอย่างติดต่อ ให้มีความเพียรความพยายามที่จะทำถ้าดูแล้วรู้สึกมันยังไม่อยู่กับลมก็ให้นับเอาละต่อไปจะหยุดให้พวกเราทั้งหลายตั้งใจนะตั้งใจกระทำแล้วจะหยุดการใช้เสียง